อาจารย์ครับกลาวนัศสการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์กรุงเทพฝนตกหนักเลยครับอาจารย์ที่ชลบุรีตกไหมครับผมเมื่อเช้าได้ตกเล็นน่อยช่วงบินทบานทั้งวันก็ไม่มีเลยครับนั้นครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้ตกอันนี้ไม่มีครับผมสัญญาณนตกไม่ทั่วฟ้าครับ ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อนๆไปแล้วครับอาจารย์ว่าจะเริ่มมีการแสดงทำมาหน้ากุฏินะครับเดี๋ยววันตั้งแต่วันที่สองเป็นต้นไปครับคง mm hmm. จะมีเพื่อนๆไปกราบพระอาจารย์เต็มเลยนะครับผมแล้วแต่ครับผมพอาจารย์ครับวันนี้จะขอโอกาสกลับเรียนพระอาจารย์ถามเรื่องหลักการภาวนานครับ เอาแบบหลักการภาวนาแบบเอามรักเอาผลเลยอ่ะครับพระอาจารย์พระอาจารย์อขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําด้วยครับผมการภาวนาเพื่อมรักเพื่อผลนี่ก็ต้องพุ่งเป้าไปที่การณสัโยละสิสังโยชนสิพาน น, านี่ถ้าเราละสังโยชนิพาได้แล้วก็จะถึงนิพพานได้นี่คือ ป้าหมายของการปฏิบัติที่แท้จริงก็คือต้องไปละสังโยชน์ซึ่งก็เป็น ก, เนกิเลสตัณหาชนิดต่างๆที่พระเจ้าส่งแสดงให้ละเอียดขึ้นซึ่งเคยเคยแสดงเคยพูดมาแล้วสิบประการด้วยกันแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ลงลึกดูจะให้ละล ง, ลงไปข้าวๆก่อนนะสังโยชน์มีอะไรก็สักรายละเอทคือการ มีความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราความจริงมันเป็นตายักเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาแล้วก็ข้อที่สองก็วิชิตกิจฉาความรังในสงสัยในพระพุทธธรรมทุสสมแล้วข้อที่สามก็คือศีลพัตปรมารการลูกคำสิงหรือการลูกคำกดแห่งกรรมเนี่ยคือยังไม่เชื่อเรื่องกดแห่งกรรมน อันนี้สามข้อนี้มันมาเป็นพวงนะใช่ไหมแล้วเป้าหมายที่ละตัวทละทิศกายยทธิติเป็นหลน ะ, ะการยึทธิติร่างกายกับเวทนาขานามันประกอบด้วยร่างกายแล้วก็นามาขานก็มีเวทนาเวทนาสัญญาสัมผัสวิญญาณมันก็เป็นพวง ม, มาด้วยกันน่าเวทนาได้ก็ละตัวอื่นได้พร้พมันไป ในทางปฏิบัติเราก็เพ่งตกไปที่ร่างกายคือต้องพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่มีตัวตนเป็นเดินหน้มุมไฟแล้วก็เวทนาที่เกิดจากผ่านทางร่างกายก็เป็นสภาวะธรรมไม่มีตัวตนเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังนัสตานเหมือนกันภตาระ สกายาทิฏฐินั่นก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์เพระอริยสัจสี่ก็มาจากพระพุทธเจ้าเป็นคำสอยของพระพุทธเจ้าแล้วผู้ที่เห็นธรรมก็คือผ้าอริยสงฆ์ก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธธรรมประสงนี้มีจริงหรือไม่แล้วก็จะเห็นเรื่องของกฎแห่งกรรม ว่าท่านจิตทำดีจิตก็จะมีความสุขจิตทำชั่วจิตก็จะมีความทุกขก็จะไม่กล้าทำบาปต่อไปอันนี้สรุปคร่าวๆสมโยต์สามข้อแรก ถ, ถ้าถ้ารัสามโยอ์สามข้อแรกได้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันท่านนี้พระโสดาบันก็จะ <c oughs> ไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเ <c oughs> พอรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตัวท่าน พระโสดาบันรู้าท่านคือจิตผู้รู้ผู้คิคดผู้ที่ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายในความหลงเราคิดว่าเป็นเป็นตัวท่านเป็นตัวเราของเรา <c oughs> พอละได้ก็ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นตามยุทธเจ้าส่งสอนว่าทุกข์เกิดจากการไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแนละ้ความทุกข์ก็ดับไปก็ไม่สงสัยในประวุฒิธรรมระสมนะก็จะเห็นว่าความอยากหรือาการกระทำต่างๆของจิตเนี่ยมันเป็นเป็นตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความสุขให้กับใจก็เห็นกฎแห่งกรรมมาอยู่ที่ใจนี่เห็นกดแห่งกรรมอริยสัจนี่ก็กฎแห่งกรรมถ้าโลกถ้าอยาก ก็เป็นเป็นเป็นกรรมที่จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากก็ก็จะทําให้ทุกข์ดับไปแล้วก็ถ้าทําบาปก็จะทําให้ใจร้อนทําบุญก็จะทําให้ใจเย็นทีนี้หลังจากนั้นก็ต้อไปอีกสองสงยญญาณอีกสองตัวที่เรียกว่าการมาราคะและปฏิคะ ธรรมราคะคือความอยากในการอยากร่วมเพศอย่างนี้แลก็ปฏิฆาคคือความโกรธจิตใจที่เกิดตามมาเวลาเกิดความอยากร่วมเพศเมื่อเกิดความโกรธจิตก็ต้องหาวิธีระบายความโกรธจิตนี้ก็ต้องไปร่วมเพศกันถ้าไ ม, ถาไม่ถ้าไม่มีใครมาสอนเรื่องการการการระงับความโกรธจิตใจด้วยการใช้ปัญญา คือการพิจารณาร่างกายว่าเป็นอ ส, สุภะไม่สวยไม่งามถ้าเห็นว่าร่างกายไม่สวยไม่งามมันก็จะทําทให้กรรมาราคะนี้ดับไปเห็นอาการสารสิบสองของร่างกายหรือเห็นร่างกายเวลาเป็นซากศพเนี่ยทำอยางที่จะร่วมเพศกับซากศพเนื้อร่มเพศกับอาการสารสิบสองมันก็จะหดไปความมุญญ่งเน้นน้ำคาใจก็จะหายไปอันนี้ ถ้าขั้นถ้าเบื้องต้นถ้าถ้าพิจารณาอสุภะได้เป็นพักๆก็กยังไม่ได้ต่อเนื่องไว้ตลอดเวลาก็จะละห ร, ห, รหรือทําให้การมาราคะและปฏิฆะเบาบ า, างลดการทําให้เบาบางลงนี้ก็ถือว่าได้ขึ้นสู่ขั้นที่สองบรรลุขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคามี๊ยพระสกิดาคามี๊ยนี้ <c oughs> จะทมีการมาราคะมีปฏิฆะเบาบางลงหรือประมาณ 50% เอย่างนี่คือถ้าได้ได้ทำให้เบาบางลงก็ได้เป็นขั้นที่สอแล้วถ้าสามารถพิจารณาสุภาพะอย่างตลอดเวลาทุกครั้งที่เกิดการมาราคาและพิจารณาเห็ น, น้ากายเป็นสุภาะทันทีก็จะทำให้การมาราคะดับไปหมด ปฏิกะดับแปลงพร้อมๆกันก็จะบรรลุขั้นที่สามขั้นพระอนาคามีพระอนาคามีนี้ก็จะไม่มีกามมาหลงหลงเหลืออยู่ไม่มีความอยากเสพความไม่อยากล่วงเพศไม่อยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายต่อไปนี่ก็เลยสัมยออุทธิฆาตข้อไม่ว่าสัมยชทธ์เรื่องบุญ อันนี้ก็คือรูปาราคะความยินดีในรูปปัจจาปราคะความยินดีในนุปปัจจานะการถือตัวอุทัจจะความพุ้งซ่าและอวิจาระมไม่เห็นอริยสัจที่ละเอียดที่ยังมีเหลืองเหลืออยู่ภายในจิตใจอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้เห็นว่า ความอยากหมืความยินดีในรูปชาญก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ารูปชานนี้เป็นของไม่เที่ยงเวลาเข้าชาญได้ก็มีความสุขเวลาออกจากชาญมาชาญก็หมดไปความสุขที่ได้จากชาญก็หายไป้วทำให้่ายเกิดความทุกข์แบบละเอียดขึ้นมาไม่สุขเหมือนตอนที่อยู่ในชาญเช่นียวกรู้ประชาน ถ้าเรพิจารณาว่าชาตินี้เป็นเป็นไตรลัเป็นอนิจจังทุกทางเนี่ยก็เลยละความอยากความยินดีในรูปประชาติและรูปชาติลงไปได้มานาคือการถือตัวก็พิจารณาให้เห็นว่าตัวตนมันไม่มีมันเป็นสมมุติมันเป็นความคิดปรุงแต่งของใจคิดปรุงแต่งขึ้นมาสัญญาสังขารคอยจบคอยจามาตัวผู้รู้เป็นโปรดเป็นตัวเป็นตน อำจริงตัผู้รู้ก็เป็นแค่ตัวตัวรู้เฉยๆไม่มนีน้ไม่มีตัวตนอาศายความหลงหลอกให้สัญญาสังขัญปรุงแต่งให้คิดว่าตัวรู้คือตัวตกแล้วก็ทัศน์นก้เกิดจากความความปรารถนาที่อยากจะให้จิตนี้สงบมีความไม่มีความทุกข์หลงเหนืออยู่ก็พยายามคิดหาวิธีการต่างๆยิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งใหญ่ ถ้าไม่เข้าไปในหลักของขอ ง, ของตายรักด้วยของอริยสัจสี่ถ้าพิจารณาว่าจิตก็ยังอยู่ในสภาวะของความไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอน ย, ยังอยู่ภายใต้กอฎของตายรักก็จะเห็นว่าความความทุมนี้เกิดจากความอยากอยากให้จิตสงบอย่ากให้จิตสงบตลอดเวลาถ้าจิตยังคลิกไปพลิกมาอยู่บางทีก็สงบางทีก็ไม่ส วองพิจารณาให้เห็นว่าจิตเป็นของที่ไม่เที่ยงจะไปอยากให้มันสงบตลอดเวลาไม่ได้ก็ต้องสอนใจให้ปล่อยวางความอยากนั้นเสียพอ ป, ปล่อยวางความอยากได้ก็จะเห็นอริยสัจที่ไรอยู่งเหลืออยู่ว่าอ๋อที่ทุกกับเรื่องของจิต น, นี้เขาว่าอยากให้จิตสงบพอสายความสงบมาเป็นสิ่งที่ให้ความสุขมาตลอดแต่ความสุขนี้ก็ยังเป็นความสุขที่เป็นตายรัก เหตุที่ทาให้จิตไม่มีความสุขเพราะาอยากจะให้จิตมันสงบด้วยฌานก็ดีด้วยการถือตัวก็ดีโดยการหาวิธีการต่างๆเพื่อทําทำให้จิตสงบก็ดีมันไม่สงบก็ต้องเห็นว่ามันเป็นตายแล้วแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันจะสงบก็สงบมันไม่สงบก็ร่วมไม่สงบแต่อยาเา็นมีความอยาก พอพอเห็นด้วยปัญญาปล่อยจิตด้วยปัญญาจิตที่เป็นตายรักมันก็จะดับเสซตสูญหายไปแล้วจากจิตที่ปล่อยสดขึ้นมาเป็นจิตที่สางบอย่างเทาวน่วาานเรียกว่าพีพารเมื่อปล่อยจิตได้ทั้งยศห้าข้อแรกก็ปล่อยร่างกายสั้งยศอีกห้าข้อหลังก็ปล่อยจิต เราปลยิตทีนี้นก็จิตก็จะไม่มีัาหาความอยากเมื่อไม่มีฐานาความอยากความทุกข์ที่เกิดจากฐานาความอยากก็หมดไปอันนี้คือสัโยชนิระการด้วยกันที่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลในการที่จะล่สัมยโยได้นี้ก็ต้องใช้ปัญญาระดับที่สามคือเรียกว่าภาวนาเมยปัญญา ปัญญาระดับสองระดับแรกนี้ไม่มีกําลังพอเช่นสุตตามัจญาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่ญญาพวกเราตอนนี้เราได้ยินในฝฟังแล้วดู้แล้วว่าเราต้องลาสามยศแต่เราไม่มีกาลังที่จะไปละปัญญาขั้นระดับที่สองคือจินตามัจญาปัญญาคือความคามปัญญาที่เกิดจากความนึกคิด พิจารณาอยู่เนืองๆก็ยังไม่มีกำลังพอที่จะนะสัมยोชนได้การที่จะทําให้จิตการทที่จะทําให้ละสัมโยोชนได้นี้นต้องเป็นปัญญาระดับที่สามคือปัญญาที่ประกอบด้วยอุเบกขาที่เรียกว่าพวนามยปัญญาถ้ายังไม่มีอุเบกขาจิตยังไม่ไม่มีสมาธิยังเข้าสมาธิเข้าออปาวนาสมาธิไม่ได้เข้าฌานไม่ได้ จิตจะไม่มีอุเบกขาไม่มีกำลังที่จะหยุดสังโยชนะสังโยตไ้ถึงแม้ปัญญาจะบอกว่านี่คือสังโยตต้องละแต่ก็ไม่มีกำลังที่จะละแต่ถ้าพอฝึกสติฝึกสมาธิจนสามารถเข้าฌานเข้าได้อย่างต่อเ น, นื่องจนสามารถสร้างอุเบกขาขึ้นมาให้ในใจได้ตลอดเวลานี้พอเอาปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นสุตะเนื่ง จินตาไมยะปัญญาก็ได้มันเมื่อเมื่อบวกกับอุเบกขามันก็จะเป็นภาวนาไมยะปัญญาเช่นยกตัวอย่างสมัยพุทธกาลตอนที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมข้างหน้าให้กับพระปัะจวัคคีพระปัญจาวาคัาวาคีนี้เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติได้บวชมานามีศีลที่บริสุทธิ์ได้ได้สมาธิได้อัปปนาสมาธิแล้วเข้าฌานได้ เจิดไม่อยู่เบขาตลอดเวลาแต่ขาดปัญญาพระพุทธเจ้าทรงแสดงปัญญาแสดงอ ร, ย ร, รยิยสัจสีแสดงไตรลักษณ์ให้กับพระปัญจวคัคคีพระปัญจวัคคีก็เอาปัญญานี้มาละสามโยนได้ทันทีเลยโดยที่ท่านไม่ต้องไปฝึกสมาธิเพราะท่านมีสมาธนะิท่านท่านรู้แล้วว่าต้องละสัมโยน าการก็คือการปล่อยวางการอยู่เฉยๆนั้นไม่ไปอยากให้น่างกายหรือจิตใจเป็นสุขเพราะโดยธรรมชาติของน่างกายและจิตใจมันเป็ น, ปนทุกข์มันเป็นตายละในั่ก็เลยละสัมโยทั้งสิทธประการไนดะ้โดยที่ไม่ต้องพเจาไม่ต้องสอนให้ฝึกสมาธิกันเพราะพวกนี้เขามีสมาธิอยู่นะครับพวกนี้เลยบรรลุธรรมได้ทันทีพอได้ปัญญา คือสุดาไมยะปัญญาจากพุทธเจ้าก็นำมามาละสัมโยที่มีในใจได้ทันทีด้ยโอเบคาด้วยกำลังของโอเบคาช่วยกับปัญญาที่บอกว่านี่ต้องละร่างกายและต้องละจิตใจเพราะร่างกายและจิตใจ น, นี้เป็นไตหลักใ น, นนี้จากทุกขงังนาตาเป็นทุกข ถ้าไปอยากหาความสุขจากร่างกายก็จะทุกข์หาความสุขจากจิตใจก็ต้องทุกข์เพราะจิตใจและร่างกายเป็นตายแล้วไม่เป็นเขาไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็ให้ความสุขกับเราบางทีก็ให้ความทุกข์กับเราจะให้จิตใจและร่างกายให้ความสุขกับเราตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ถ้าไปหวังความสุขจากร่างกายก็จะต้องพบกับความทุกข์ของร่างกายหวังความสุข จากจิตใจก็จะมรเจอความทุกข์จากจิตใจอพอละความอยากได้ความสุขจากร่างกายและจิตใจได้ความอยากที่เป็นต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็หมดไปใจก็ไม่มีความทุกข์บงน้อยอยู่อันนี้คือยกตัวอย่างในในในยกแรกๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนี้คนฟังธรรมนิยมรูปัง พราเขามีอุเบกขาเขามีสมาธิเป็นแสดงทำให้กับเบื้อตอนนี้พระเจ้าจะเลือกพวกหัวกะทิถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กระดับสี่จุดขึ้นไปบางอยเวลาเขาเขาเลือกเด็กเขา้าสอบเข้ามาอะไรนี่เขาจะเอาพวกเด็กสี่จุดก่อนใช่ไหมมาหาอะไแท่นนี่ก็ไม่เอาพวกสองจุดพวกสามจุดนะเขาจะเอาแต่พวกสี่จุดขึ้นไปก่อนเพราะพวกนี้สอนง่ายฉลาดไม่ไม่เหนื่อย ไม่เมือนกับพวกสองจุดพวกสองจุดเนี่ยสอนยากเพราะปฏิปัญญาเขายัางไม่ไม่ทันไม่ไม่ไม่สูงพอที่จะเข้าใจวิชาต่างๆที่ครูบาจารย์จะสอนให้ได้ต้องใช้เวลามากพระเจ้าไม่อยากจะเสียเวลามากก็เลยส่งเลือกสอนพวกที่สอนพวกที่บรรลุได้ได้ง่ายได้เร็วก่อนก็จะไปสอสนพวกนักบวชเท่านั้นหลยไปสอนที่สำนักหนึ่งมีห้าร้อยลูป พอทรแสดงว่ารูปเสียงกลนรลดผลทพะทำอา ร, รมณ์นี้เป็นไตายักท่านั้นะเป็นไฟเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นไฟมันร้อนเหมือนไฟถ้าไปยุ่งกับอายตนะรูปเสียงกลนรลดผลทพะและทำอารมณ์แล้วใจจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาแสดงเท่านี้เขาก็บรรลุได้เพราะพวกนี้เขารู้สึกว่าก่อนหน้านั้นเขา เขาเบูชาไฟนู้นสิ่งีู้ชาปัญไวเอาเอาเรื่องไฟนี้มาสอนเขาว่าสิ่งที่เขาที่ทำให้ใจเขาล้าเป็นไฟก็คือการไปหาความสุขจากอายะทนะทั้งหกลูกเสียงเกลิ่อนผดภพะละทธามารณ์นี่ก็ยุกนั่ๆนี้ไม่ต้องสอนสมาธิว่ามีสมาธิมีอเบคา เราพอฟังธรรมปั๊บก็บรรลุได้ทันทีเลยภายในเจ็ดเดือนในระยะเเจ็ดเดือนแรกของการเผยแผ่นี้มีพระอรหันต์เกินกว่าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเพราะว่าในวันเพ็ญเดือนสามคือเจ็ดเดือนหลังจากที่ได้แสดงธรรมครั้งแรกไปนี้มีพระอรหันตสาวงอย่างน้อยหนึ่งพันสองร้ห้าสิบรูปมาเฝ้าพระเจ้าโดยที่ไม่ได้ดันหมายตรงนี้ ทา ง, ทา ง, ทางําพวกบรรลุทํานั่นเองพวกเรานี้ฟังกันมาจนหูฉี่แล้วยงังยังละทัศน์ยไม่ได้นักตัวลากิเลสไม่ได้ยังโลคยังอยากยังอยากในอายาตนะอยู่ยังอยากในรูปเสียงกลิ่นรสยอยากในธรรมารมยังอยากได้ ล, ดละทุศรสเสสน์สุดยังอยากให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวนานไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตาย ไม่มีอุเบกานี่คือดังนั้นสำหรับผู้ที่เมื่อฟังธรรมแล้วไม่บรรลุก็แสดงว่ายังไม่มีภาวนามยยะปัญญาอาจจะมีสุตตะเนื้ออาจจะมีจินตาท้าพิจารณาอยู่แนวๆต้องไปเสริมปัญญาเหล่านี้ให้เป็นภาวนามยยปัญญาด้วยการไปทำสมะถะภาวนาคือการไปฝึกสมาธิ ให้จิตเข้าฌานให้ได้ให้เข้าสู่ความเปกเป็นอัปปนาสมาธิจะมีอุเบกขาปรากฏขึ้นมาใน ใ, นใจเราพยายามสร้างอุเบกขานี้ให้ให้แผ่ออกไปตลอดเวลาทั้งในขณะที่เข้าสมาธิและออกจากสมาธิมาออกจากสมาธิมาก็มีอุเบกขาติดตัวมาแต่อุเบกขาเริ่มเรื่อนแผ่ลงก็กลับเข้าไปในสมาธิม่เหมือนการชาร์จแบบเหมือนสมัยนี้เริ่มมีรถไฟฟ้าเริ่มอง เอาไปกับหมอขับรถไซบ้าตอนต้นกระชากให้เต็มเดี๋ยววิ่งไปถ้าพักอา้าเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์้องมีหาที่จอดชาร์จแบตต่อแล้วอันนี้ก็เหมือนกันอูเบค้าก็เป็นเหมือนแบตเตอร่ของใจเป็นพลังของใจต้องชาร์จด้วยสติสมาธิเข้าไปในสมาธิกระชาร์เต็มร้อยพอจากสมาธิมาก็เริ่มนับถอยหนังมืไปเดีย๋ยถ้าทิ้งไว้นานเดี๋ยวเพมันจม หมดกาต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหและในเบื้องต้นนี้ต้องฝึกสมาธิให้ชำนาญให้สามารถเข้าออกสมาธิได้ตลอดเวลาเวลาที่ต้องการที่จะเพิ่มตึกพลังของอุเบกขาเวลามันลดน้อยถดถอ ย, ถอ ย, ถอ ย, ถอยลงไปเมื่อเราสามารถเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาชาร์ตแบตเตอรี่ชาร์ตอุเบกขาได้ตลอดเวลาแล้วเราถึงค่อยไปศึกษาทางปัญญาต่อ ไปฟังไปอ่านพสัสตรที่ทรงแสดงให้กับพระปัจจวคัคคีก็ได้ทีนี้พอฟังแล้วจะเข้าใจแนื้อพะจละได้ทันทีก็จะบรรลุธรรมได้ทันทีนั้นถ้าฟังทำนะยังไม่บรรลุก็แสดงว่าได้ได้ไดแค่สุตตะมายปัญญายังไม่ได้ภาวนามายาปัญญาต้องขาดุเบกาต้องไปมันฝึกสติสมาธิไว ให้มีความชำนาญสามารถสร้างอุเบกขาให้อยู่คู่กับใจไปได้ตลอดเวลาแล้วก็เอาสุตตามัยปัญญาหรือจินตามัยปัญญานี้มาสอนใจให้ปล่อยวางให้ละสังโยชน์แต่ละโตได้ดัง้นการที่จะฝึกสมาธิได้ก็ต้องมีเวลาก็ต้องลดการทำงานท า, ง า, ทางนงมรอทราท้องมือปากน้หายความสุขทางตาหูจมูกริ้นกาย ต้องเลิกแนละ้ถ้าอยากจะได้มากผลนิพพานนี้ต้องเลิกเผาความสุขจากอายตนะว่าอายตนะนะเป็นความสุขชั่วคราวแล้วมันจะกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปมันก็ถ้าเราเลิกเผาความสุขทางอายตนะเราก็ไม่ต้องหาเงินมากทุกวันนี้แคเราหาเงินกันมากก็เพื่อที่จะไปซื้อความสุขทางอายตนะนี่ เงินทองที่เรามาใช้เลี้ยงดูร่างกายนี้ไม่มากเท่ากับเงินทองที่เราไปซื้อความสุขทางอยายตนะถ้าเราเลิกหาความสุขทางอยายตนะได้เช่นถือสินแปดกันเราก็มีรายจ่ายลดน้อยลงอย่างมากมายนะก็มีแค่รายจ่ายสำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงทองเท่านีน้เราก็จะทําให้เราลดภาระการทำมาหากินได้ แล้วก็จะได้มีเวลามากขึ้นที่เราจะได้เอามาใช้ในการปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิให้การุณยขาแล้วก็ฟังเศทศธรรมธรรมให้เกิดปัญญาอันนี้คือแนวทางของการปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่คนที่ต้องการมรรคผลนิพพานในส่วนใหญ่ต้องเป็นบวชกันทั้งนั้น 99% ผู้ของผู้ที่ได้รับมรรคผลนิพพานนี้มักจะเป็นนักบวชอาจจะมีหนึ่งเปอร์เซ็น ะที่เป็นคารวะผู้ที่มีมีบุญเก่าวติดตัวมาอาจจะมีสมาธิติดตัวมาแล้วก็ได้ยิวเบกามากับใจแล้วพวกก่อนชาติก่อนเคยเป็นนักบวชมาก่อนเคยฝึกสมาธิมาก่อนพอมาบำเพ็ญบำธรรมก็บรรลุธรรมได้เป็นโสดาบันได้ในขณะที่เป็นคาลวะ แต่ถ้าอยากจะให้บรษย์ขึ้นไปให้เรงกว่านั้นเบางทีก็ต้องออกออกจากเพศคาราวาเพราะถ้ายัางอยู่เป็นคาราวาก็ยังอาจจะมีหน้าที่ของคาราวาที่ต้องเกี่ยวข้องกันถ้าเป็นสามีภรรยาก็ยังต้องดูแลกันอะไรกันก็จะทําให้ไม่สามารถบรรลุสังโยชน์ที่สูงกว่านั้นได้เวลากรรมราคะได้สังโยชน์ร่วมหนึ่งได้ ผู้ที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะอาจจะกลับมาเกิดไม่เกิดเจ็ดชาติกว่า จ, จะบรรลุถึงขั้นสูงๆได้เพราะว่ายังไม่สามารถตัดความผูกพันกับคู่ครองเลยมิตรตนได้คู่ครองเลยมิตรตนได้ยังรักยังโหวมอยู่ก็ได้แสวดาบันไปก่อนแต่ยังไงก็อุ่นใจไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับอย่างน้อยก็รู้ทางแล้วแต่ว่าย ยังยังไม่มีกำลังที่จะไปตัดการมารดาคือความรักในคู่คู่รักของตนได้จนกว่าจะเห็นทุกเห็นเวลาคู่รักตายไปเห็นซากศพของคู่รักนี้ก็อาจจะเกิดปัญญาขึ้นมาต่อไปก็จะไม่อยากจะเป็นคู่รักคู่ใหม่ก็ได้เพราะเห็นว่านนในที้สุดเขาก็าต้องตายไปเป็นซากศพไป วันนี้กระจ่างชัดแจ้งมากเลครับพระอาจารย์กรับก่าวขอบพระคุณพระอาจารย์ครับจะนําไปประพฤติปฏิบัติต่อไปนะครับอาาย์ครับคําถามเดียวกันที่พระอาจารย์ตอบไปแล้วครับอยากคุณสมพรบอกว่าคาราวาจะเข้าถึงนิพพานได้ไหมครับน้อมกลับคาแนะนําวิถีทางเข้าถึงนิพพานของคาราวาสครับเมืางเดียวกันเนี่ะคาราวานี่จะเข้ายากกว่าเพราะมีเวลาน้อยกว่านอกจากมีคาราวาที่ไม่มีภาระหน้าที่การงาน ไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรเป็นโสตเป็นเศรษฐีมีเงินไม่ต้องไปทํางานมีเงินเรื่องผ่านเรื่องเท่ามีที่อยู่คนเดียวเป็นเรื่องหน้าตามที่ต้องการถ้าอย่างนี้มันเข้าไปได้ง่ายแต่ถ้ามีภาระหน้าที่มีการงานมีบริษัต์มีเข้าของมีครอบครัวนี่มันก็มันไปมันไปยากเวลาที่ปฏิบัติไม่มีให้ คุณวิดาครับขอถามครับผมบวชแค่หนึ่งพรรษาจำเป็นต้องเรียนนักธรรมหรือเปล่าครับือนักธรรมก็เป็นการนำเอาธรรมะสำคัญสำคัญต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนมาสอนเป็นหลักสุดสั้นๆนสอนธรรมเชนอริยราศาสตรสสส 5, 5, ์สี่ไรลักษณไตริกขาอินทบัทฑอินทรีห้าลท่าห้าอะไรกงี้สิแปดสินห้า ก็เป็นธรรมที่ต้องรู้สำหรับผู้ที่อยาปฏิบัติเขาต้องศึกษาเพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีคําถามผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะพระอาจารย์มีเคสของนักการเมืองสามีภรรยากําลังทุกข์มากเพราะจะถูกตรวจสอบทรัพย์สินเขาบอกเงินทองและสิ่งที่ได้มาไม่ช่วยอะไรเลยในมุมมองของพระอาจารย์ช่วยเขาอย่างไรคะ คือนักการเมืองห่วงอนาคตลูกที่กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอยู่ครับเราเขาต้องยอมรับความเปจริงอะคือเงินทองเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนบางทีก็เป็นเป็นเหตุให้เกิดความสุขขึ้นมาอางทีก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมางั้นเราก็ต้องยอมรับกับสภาพควา ม, ขขมาเปจริง ว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปรูปเรียนไม่จบก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องวิตกกังวลคิดถึงลูกของคนอื่นที่ต้องเป็นโรคภัยไค้เจ็บเป็นมะโงมันเลยอาจจะตายได้มันก็จะเห็นว่าปัญหาของลูกเราที่เรียนไม่จบนี้มันอาจจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่หรืออาจจะเปลี่ยนโรงเรียนอาจจะเรียนที่โรงเรียนมันแพงเกินไปก็ไปเรียนโรงเรียนที่มันถูกหน่อยก็ได้โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนวัดก็เรียนได้เหมกัน ให้ความรู้ได้เหมือนกันคือว่าเรายามต้องยต้องปรับกับความเป็นจริงต้องยอมรับของความเป็นจริงการยอมไม่มีงานสเสียนลูกก็ไม่มีงานส่งเสียนลูกไปบางทีมันอาจจะทําให้วิกฤตนี้เป็นโอกาสทําให้ลูกนี้เป็นคนที่ต้องขยันพึ่งตนเองให้มากขึ้นก็ได้ถ้าเกิดตัวเ้าอยากจะเรียนต่อก็าอาจจะก็อาจจะหาวิธีก็ได้ หางานทำํำหาอนะไรอาจจะพักการเรียนชั่วคราวไปหางานทําก่อนเมื่อมีรายได้แล้วก็อาจจะไปเรียนแบบวิทยา น, น้าระบบหาือมหลาลัยนอกนอกระบบก็ได้ใช่ไหมไปทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็นีเด็กที่ก็ได้โอกาสที่ไม่มีพ่อแม่ส่งเสียมีหลายคนที่ก็ทําอย่างนี้เพราะว่าขอบชุนอยากได้ล้วก็ให้เขาไปเขาทํางานด้วยเรียนด้วยแต่เขาไม่ก็มีไไม่มีค่าเทอม ช่วยรัาเทิร์นใ้เขาไปเขาก็มาขอแล้วก็ให้เขาไปมันก็ดีทําให้เด็กดินน้นหลรนรู้จาักพึ่งตนเองได้อย่างเราเองก็เหมือนกันจบมจบจ บ, จบมอหกหน้าพ่อแม่ก็ไม่ได้ส่งให้ไปเรียนต่อในมหาลัยเราก็ต้องดิ้นรนทํางานหาเงินเก่งๆแล้วก็หาโรงเรียนติดต่อเรียนแล้วก็สมัครเรียนเองจนได้รับแล้วก็ไปเอง มันทำให้เราพึ่งตนเองได้ทำให้เราเก่บขึ้นดีกว่าที่จะให้พ่อแม่คอยป้อนคอยผักให้อยู่เรื่อยๆแล้วมันทำให้ไม่เห็นบุญคุณของของโอกาสนั้นดีที่พ่อแม่อามอบให้กับเราไม่เห็นคุณประโยชน์คุณค่าเห็นว่ามันเป็นของที่มันมาง่ายๆแต่ถ้าเป็นของที่ต้องหามาด้วยอา่าเหงื่อของตนเองนี่มันจะเห็นคุณค่าของของการศึกษามากแล้วมันจะพยายามตั้งใจเรียนให้จบเ ยังให้มองยงอมรับกับความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราพิ่งเกินเงินทองนี่มันเป็นของไม่แน่นอนอันนี้จะกอน ต, ตาไปสั่งให้มันอยู่กับเราให้สนับสนุนเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดเวลาไม่ได้วันดีเกินดีมันก็กลายเป็นของมันก็หาจากเราไปได้ด <c oughs> ังนเราเป็นก็จะได้เป็นบนเรียนสอนใจแล้ววต่อไปนี้เราอย่าไปพึ่งมันมากเกินไปหัดพิ่งสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่เราพึ่งได้ตลอดเวลาก็คืออัตตาหิตโนนาถเนีเ่ยเราก็ให้ยินดีกับตามสภาพของชีวิตของเราได้ได้มากได้น้อยรวยหรือจนไมันก็ในที่สุดมันก็ไปจุดที่จุดเดียวกันทั้งหมดก็คือจุดตายนี่ใช่ไหมรวยขนาดไหนมันก็ไปจบที่ความตายจนขนาดไหนมันก็ไปจบที่ความตายตลาดอยู่มันก็มีสุขมีทุกข์สลับกันไป ขอทานนี้เขาก็มีสุขมีทุกข์ของเขาเขาไม่ทุกข์ไปตลาดเลยล่ะมหาเสรษฐีเขาก็มีสุขมีทุกข์สลับกันไปไม่เขาก็ไม่ได้สุขไปตลอดเลยล่ะชีวิตของคนเราทุกคนถ้ายังอยู่ในโลกนี้อยู่มันต้องเจอทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วยกันทุกคนโลกธรรมแปดนาฏศรสเสริญสุขเพราะมันสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้น ข, นขนลงลงมันก็ทําให้เกิดสุขเกิดทุกข์สลับกันไปสลับกันมา ไปทุกคนขอทานก็มีลาบใช่ไหยขอทานวันวันหนึ่งก็ขอได้เงินขอทานได้เงินจากขอทานมาก็เป็นลาบวันไหก็ขอได้มากวนวันก็ขอได้น้อยมันก็มีเจริญมีเสื่อันไนได้ได้มากก็มีความสุขวันั้นได้น้อยก็มีความทุกข์ก็เหมือนกับคนเล่นหุ้นวันนี้กำไรหุ้นขายหุ้นกำไรหุ้นพรุนี้ขาดทุนหุ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับขอทานยมันก็มีสุขมีทุกข์สลับกันไป กินอยู่จจนนเหมือนกันก็ใช้มีปัจจัยสี่เหมือนกันกินข้าวเหมือนกันนอนเหมือนกันมีที่อยู่อาศัยเหมือนกันขอทานก็อาศัยใต้สะพานหนอนเหมือนกันเสื้อผ้าขอทานก็ขาดขาดมันก็เป็นเสื้อผ้านะมันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ตลอดคนรวยคนจนใช้ชีวิตมันก็มีสุขมีทุกข์สลับกันไปมีวิตกมีวิตกมีความกังวลมีความหาวาดกลัวเหมือนกันใช่ไหมมีต่อกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจของโลกของอะไรต่าง ความปลอดภัยของชีวิตมันก็มีเหมือนกันงั้นชีวิตถ้าเราลองเข้าใจแล้วมันอยู่ในสภาพไหนก็ไม่ต่างกันมากยิ่งคำหลงของเราไปบ้างว่าโอ้ชีวิตของเราจะสุขมากจะดีมากถ้าเราเร่าเรารวนี้ที่ไหนนานท่านไปพอมันเป็นจริงจรงิมันก็เห็นวเหมือนกันโดยขนาดไหนมันก็มีความหวาดไม่ตกตตกังวลหวาดกลัวต่างๆเหมือ น, นกันดีไม่ดีว่าคนขอทานที่หวาดกลัวน้อยกว่าใช่ได้ซ้ำไป เพราะมันไม่มีอะไรที่ต้องกังวลมากไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะต้องกังวลมากแล้วภัยต่างๆมันก็ไม่ได้กังวลเพราะมันไม่ได้มันมันนอนอยู่กับที่ที่ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วมันก็ต้องยอมรับกับสภาพความจพิงผขอทานนี่ก็อาจจะมีความทุกข์ความกังวลมากกว่าพวกเศรษฐีที่ได้ทำไปเรียนก็นะคัดทําใจแล้วละกันไปยอมรับกับสภาพความเป็นจริงของชีวิตของเราตอนนี้เรา ลุกก็ยาประมาทตอนนี้เราตกแต่งก็ต้องหัดทำใจสู้ต่อไปครับอีกคำถามครับอาจารย์ไม่ประสองค์ออกนามนะครับเป็นคุณหมอครับกรณีมีเคสที่รับปรึกษาตามคิวก็เหนื่อยแล้วแต่ต้องรับเคสปรึกษาฉุกเฉินอีกไม่ไหวค่ะพูดจนเมื่อยปากเหนื่อยเพราะใช้สมองคิดบางครั้งทำงานต่อไม่ไหวต้องปิดคลินิกผลเสียคือคนไข้จอมาไกลาขาดยาค่ะ เราจะจัดการอย่างไรคะหรือต้องฝึกสติให้มีกําลังคะอ๋อเราแจ้งล่วงหน้าได้ต่อไปว่ามีวันหยุดนะล ด, ลดเวลาทํางานลงแจ้งคนไข้ครับล่วงหน้าก่อนไม่ใช่ปิดแบบทันทีทันใดเราก็ค่อยๆลดถึงขัน้นเป็นตอนไปอาจจะลดเวลาทํางานให้น้อยลงหน่อยกานทีนะ่ทำหลายชั่วโมงอาจจะขอลดสักสองชั่วโมงอะไรทำนองนี้ค่อยๆลดลงไปคนไข้ก็จะได้ปรับตัวได้ อาจารย์ครับอันนี้กรณีคล้ายๆผมเองเลยครับตอนนี้<ช>ผมลดผมลดเวลาทำงานเหลือแค่สามวันนะครับ<ช>แล้วก็พอลดเหลือสามวันปั๊บเนี่ยคนไข้ก็จะมากองกันที่จองคิวกันมาก็วันหนึ่งประมาณร้อยหกสิบคนต่อวันแล้วก็จะมี walk in ซึ่งถ้ารับทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกินเวลาไปแบบไม่ได้จบสิ้นเลยครับอาจารย์ก็จะงมีมาตรการ <c oughs> เขียนปติดห <c oughs> มายว่าห้ามต่อไปนี้ไม่รับ walk in แล้วรับแต่แตผ<ม>ู้ที่จองลงหน้าครับ ตอนนี <Okay. S 1> ม้มีขาวมีคาวได้ยินร้านอาหารที่อร่อยอร่อยนี่เขาไม่รับวัคซินเนยอะเยะเขาให้จองคิ ว, วเป็นอาทิตย์เลยใช่ครับตอนนี้คิวผมก็ไปสองสามอาทิตย์แล้วครับแล้วก็พอพอเห็นคนเดินมาบางคนก็มาไกลก็สงสารพอสงสารก็รับพอรับมันก็ยาวไปเรื่อยอ่ะเขามามันทำก็ต้องเขียนไ ป, ไป้ายไม่บอกลั้งหน้าก่อนครับครับผมแล้วก็หรืออจาจจะเผื่อวัคซีนไมหน่อย รับคิวแล้วก็แบ่งไว้สัก 20% สำหรับวอล์กอินแต่เราประกาศว่าไม่รับไม่รับแล้วแต่เมื่อเข้ามาจริงๆก็ด้วยความเมตตาก็อาจจะรับคนได้ครอย่าไปรับที่จอง 100% เนี่ยรับที่จองทั้ง 80% แล้วเผื่อไว้สัก 20% สาหรับพวกที่เขาวอล์กอินที่ไม่รู้อีกหน่อยนึงวัที่เขาแล้วคราวหน้าก็บอกเขาต่อไปนี้อย่ากมาแบบนี้นะรับไม่ได้แล้วนะเขาต้องคิวไว้ล่วงหน้าก่อน เพราะหมอทำไม่ไหวแล้วใช่ครับเขาก็เห็นใจเราครับผมปัจจนนี้มีมาตรการที่เราทําได้ครับปัจจุบันก็ทําอย่างที่พป้าจย์บอกแล้วครับผมก็ walk in มาก็รับรับไปก่อนแล้วก็ให้นัดเป็นครั้งหน้าไปครับครั้งหน้าก็พอครับกขอบคุณพป้าจย์ครับแม้แญาติโยมมาหาเราบางทีรักติดตาไม่ีกุฏิเขาไปยังมานั่งอย่เงี้ยแค่รอเราทั้งหลาว่าอดสงสัยเข้าไปท่านก็ออกมารับ เอาเอาแล้วบ อ, อกตา<อ>มตามไม่ได้อย่างมาตรง น, นี้ตอนนี้เวลานี้นะไม่รับแขกนะครับก็มาเวลานั้นเวลานี้นะบอกเขาไว้ ค, คนไม่รู้เรื่องคนกาไม่รู้เขาก็มาตามความรู้สึกนักที่ชอบกันครับผมจากคุณสมพรครับอาจารย์การทํางานที่มีความ เกี่ยงเอาเปรียบในการทํางานกันโยมจะใช้ธรรมะข้อใดมาเข้าใจพฤติกรรมคนเอาเปรียบในการทํางานครับก็ในโลกนี้มีคนโลภมากโลภน้อยคนโลภมากก็มังจะเอาเอาเอาเอาเปรียบผู้มากับคนที่ไม่รลภมาเห็นเราก็น้องมองว่าเป็นสิ่งที่เราไปห้ามเขาไม่ได้คนในโลกนี้มีดลกหลายชนิดก็มีทางเดียวจากที่พระเจ้าสอนก็คือให้เลือกคบคน ให้เลอกทางานกับคนที่ไม่โลภจะดีกว่าแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องทำใจก็ปว่อยให้เขาโลภเข้าไปแล้วก็ทำหน้าที่ส่วนของเราไปก็แล้วกันคุณเดอะมัลติเวอร์ u ัลยูนิตี้ครับการวัศนการครับข อ, อกาสการทำอัตติตังสายานปุปเพนิวาสานุสติยานอาศัยชาญยานระดับไหนครับ คืออนนี้มันเป็นเรื่องของอุปจารสมาธิเกื่อวกัปัญญาผู้ที่จะสามารถระลึกชาติได้ต้องมีอุปจารสมาธิเพ่มซึ่งเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทุกคนนี้ไม่ไม่สามารถมีได้แต่มันก็ไม่จำเป็นเพราะว่าภิญญาต่างๆนี้ไม่ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะระสังโยชน์ได้ คือโมจีาลาสามโยนาคืออุเบกขางั้นการปฏิบัติสมาธิใี้เราไม่ได้พุ่งเป้าไปที่การลนกชาหรือการมีอภิญญาต่างๆแต่เราพุ่งเป้าไปที่อุเบกขาเป็นหลักแต่สำหรับผู้ที่มีมีมีบุญเก่าได้มีวาสนาเก่าเคยมีความสามารถที่จะมีอภิน ญ, ญาได้อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของเขาไปแต่เขาต้องระว่า เราก็ยังไม่บรรลุแล้วเข้าไปยุ่งกับเรื่องเรื่องอภัญญานี้ก็จะอาจจะทําให้เขาหลงทางได้แล้วจะทําให้เขาละสมโยชน์ไม่ได้นถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บางทีก็หลงได้แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ขณะดนี้บางทีก็ยังเดื่อคนหนึ่งอย่างหลงตาท่านมีแม่ชีคนหนึ่งก็ได้อุปจาระสมาธินั่งสมาธิเทไรแล้วมักจะติดต่อกับกายทิสได้เรื่อยๆมีทั้ง ดวงวิญญาณบ้างมีเทพมีอะไรมากมายสนธนามาคุยอะไรจนเธอเพิเพลินมความสุขนั่งสมาธิทีไร น, นี่ต้องต้องต้องพบกับกายที่ถึงจะถือว่านด้ผดีแล้วน้องตามหาบกักเตือนว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นทางนะมันจะทําให้หลงทางมจะทําให้บรรลุบรรคุนิพพานไม่ได้เดินหลายครัง้งกาก็ยังดื้อจนอันนีน้เสร็จต้องใช้ไม้ตาย หอถ้าเธอยังไม่เลิกยุ่งกับเรื่องอุปจารสมาธิอยู่นี้เธอยังมาเป็นยุ่งสิบดาวอีกต่อไปเราจะไม่สอนเธอเพราะนั้นต้องใช้ไม้เด็ดไม้ตายเข้าถึงยอดแล้วเลิอกออกไปดึจิตให้เข้า อ, อเุเบกขาเขาเข้าเ ข, ข้าสมาธิเข้าอุ ป, ปนาสมาธิแทนไม่ให้ออกไปทางอุปจารสมาธิแล้วเธอก็สามารถจเจริญปัญญาและหนาสังโยชน์ตามลำดับได้ต่อไป ันบรรลุเป็นผ้าหลัแม่ชีแก้วนี่ยชืย่อแม่ชีแก้วแม่แก้วอยู่ที่คำเชีอีมันอยู่ที่จังหวัดเมื่อก่อนขึ้นกำลังคอนพนมแต่ในนี้รู้สึกจะขึ้นอีกจังหวัดหนึ่งบางค น, นหาในอินเทอร์เน็ตกันดูก็ได้คุณแม่ชีแก้วเคยได้ยินชื่อแก้วเสียงรำใช่ไหมครับอ่าเสียงำรำน้องอาประวัติของเธอเดียวก็ได้ พรอาจารย์ได้ทันเจอไหมครับอาจารย์ไม่ได้เจอตัวเคยยุบบุกแบบวัดป่ามันราเนี่ยเคยอยู่ที่วัดป่ามันตราพระงตามหานยุที่ไปสร้างใหม่หมปีเก้าเก้าสิบกว่าเก้าห้าเก้าหกนู่นนั่แล้เก้าเจ็ดเก้าแปดจไม่ได้ยบุกมีพระอาจารย์หลายรุ่ที่ติดตามมลงตาอยู่ร่วมกัน คุณสมพรครับทำอย่างไรที่ต้องสอนเด็กยุคใหม่ที่มีความเปราะบางถูกเลี้ยงมาแบบคุณหนูไม่มีความอดทนครับถ้าเป็นเด็กของเราเราก็ต้องอย่าไปเลี้ยงแบบนั้นสิเราก็ต้องให้รู้จักให้เขให้ให้เขาหัดทําอะไรเองตั้งแต่เด็กเลยสอนให้เขาทําอะไรต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยไปอย่าไ ป, อ, าไ ป, อ, าไปอุ้มชูก็ามากเกินไปสิ่งนี้ก็ทําได้ให้เขาทำล้างจานเอง ทำอเองทำอะไรเองค้านบ้านถูบ้านเองให้ช่วยช่วยทํางานบ้านช่วยทํานู่นทำนี้่ช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยทําอะไรตา่างๆวิูที่เราจะสอนย้อยเองถ้าเราไปสอนย้อให้เขาไม่ทําอะไรวอมืมองอเทา้าเขาก็เป็นเหมือนคนพิการเลถ้าสอนไม่ได้ก็ต้องไปส่งไปอยู่โรงเรียนกินนอนโรงเรียนดัดรนดี โรงีกินนอนนี่ก็ไม่เอาใจใครใช่ไหมเขาจะมีกําหนดตารางเวลาให้ทำอะไรต่างๆถึเวลาต้องเตะก็ต้องเตะถึงเวลาตอนอนก็ต้องนอนถึงเวลาต้องทํากิจอะไรก็ต้องทําอย่างที่โรงเรียนสันเดียร์พระสังฆราชที่ทรงสร้างขึ้นนียก็เป็นโรงเรียนกินนอนดัดสัญญาณเด็กเหมือนกันที่โรงเรียนนี้ก็สอนใด้ใจกว่ายภาพสวนมนตนั่งสมาธิมีเวลาทาํางานมีเวลาทำอะไรต่างๆ ม, มีทับกเกษตรกรรมหัด ปูกผักเองอะไรเองทำอะไรเองเองเยะๆซักผ้าเองอะไรเองมันต้องส่งไปโรงเรียนเด็กดัดสันดาลแล้วเด็กก็จะเป็นเด็กที่ฉลาดเด็กที่เก่งทําอะไรได้ด้วยตนเองมีความอดทนเพราะอยู่ห่างไกลบ้านมันไม่มีใครมาคอยเอาใจเอาออเอาใจ ต, ต้องหัดทําใจมีขันติความอดทน มีคำถามไม่ประสงค์กออกนามครับแม่เฒ่าอายุหนึ่งร้อยสามปีป่วยติดเตียงมาหลายปีจนปัจจุบันนอนอย่างเดียวจนขาแข็งไปหมดงองงิกพลิกตัวก็ต้องให้ผู้ดูแลช่วยแต่ความจำดีจำได้ทุกอย่างลูกหลานเรื่องอดีตจำได้หมดขออนุญาตถามว่าเขาทำกรรมอะไรมาจึงต้องทนทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้ขอคำแนะนำจากอาจารย์เจ้าค่ะเขาอกเป็นบุญอนะยื้อ ย, ย, ยืน ย, ย, ยาวนานอันนี้ก็แ ล, ล้วแต่เรมาว่าเป็นกรร ม, มเป็นบุญ ทุกคนก็อยากอ า, า, ายุยืนกันไม่ใช่เหรอมาอายุยืนก็มาบน่นอย่ก็ไม่เอาอายุยืนแบบนี้ก็ไม่เอาอีกเรามบรรลุเป็นพวกแบบเอาใจยากเหลือเกินนะเทวดานี่คงจะปวดหัวนะอยากจะขออายุยืนก็ให้อายุยืนนะแต่ต้องให้นอนติดเตียงก็ไม่เอาอีกนะอยากจะให้น้อยสารนีใส่ปี๊บได้เนหรอเป็นนั้นไม่ได้หรอกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายนะ ตอนนี้อายุขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ได้ไม่เป็นกรรมหรอกเป็นบุญที่เขาได้อยู่มายาวขนานี้แล้วคิดยู่ตอนนี้ความทรงความจาของเขาก็ยังดีอยู่แสดงว่าจิตใจของเขาดีมากจิตใจก็มีสติสตังมีความ ร, รู้สึกตัวตลอดเวลาไม่หลงไม่เนิ่นถือว่าเป็นบุญนะไม่ได้เป็นกรรมครับผมตอนนี้เป็นกรรมก็คือตายตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามสิบห้าสิบหก ขี่มาใช้กับบัตรเห็นอยความตายูันนี้เป็นพวกทำกรรมมามากกว่าอายุไม่ยืนยาวนานคุณน้องหลินครับกรับสอบถามเจ้าค่ะผลของการปฏิบัติจะไม่ค่อยหิวอาหารเกี่ยวหรือเปล่าเจ้าค่ะแต่สามารถเคลื่อนไหวได้เยอะขาไม่มีอาการเหนื่อยใช่เพราะการปฏิบัติที่จะทำให้ใจหิวความหิส่วนหนึ่งก็มาจากความหิวของใจมา ก, กว่าความหิวขอ ง, างากานาใจ บางทีกินข้าไปเหนอื่นเห็นขนมนก็อยากจะกินได้ไหมอันนี้มีความหิวของใจแต่พอเราปฏิบัติทำแล้วใจจะสงบแล้วความหิวก็จะลดน้อยลงไปความอิใจจะมีเพิ่มมากขึ้นเห็นอะไรก็รู้สึกเฉยๆถ้าร่งการไม่หิวใจมันก็ไม่รู้สึกที่อยากจะกินนอกจากเวลาที่ร่างกายมันหิวใจถึงจะกินตามความต้องการของร่างกาย มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับการเบียนถามพระอาจารย์เจ้าข in ่ะจะเริ่มต้นวางใจอย่างไรเกี right> ่ยวกับบุตรธิดาทั้งๆที่รู้ว่าคือบ่วงจริงๆทําให้เวลาปฏิบัติมักไม่สงบครับก็ทําใจว่าเข้าเป็นเรื่องหมือนเลี้สุนัขโดยเลี้ยงมันตามมีตามเกินเลี้ยงไปให้ปัจจัยสี่เข้าไปให้อาหารเครื่องมื่องที่อยู่อาศัยยารักษาโรคให้การศึกษาเข้าไปให้ความรู้สอนเขารู้ผิดถูกดีเชื่อเข้าไป ส่ก็จะทําได้ไม่ได้นันก็เป็นเรื่องของเขาแไปเราไม่ว่าเราจะาเลี้ยงดูเ้าดีขนาดไหนเขาจะมีชีวิตอยู่ดีขนาดไหนในที่สุดก็ต้องจบลงในที่สุดก็ต้องตายไปอย่าไปยึดติดกับเรื่องของชีวิตนี้มากไปนชีวิตนี้เป็นเหมืนอนนองละครเะมั น, นเดี็กก็จบทั้งเราทั้งเขาในที่สุดก็ต้องเข้าโรงกันทุกคนะ มันก็ทาให้ดีที่สุดแต่ไม่ต้องไปกังวลได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นคุณเล็กครับกราบขอโอกาสสอบถามชั้นหนึ่งคือวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกขตารมณ์คําว่าวิตกวิจารณ์คืออะไรคะและต้องทําอย่างไรถึงจะได้ชั้นหนึ่งครับคําว่าวิตกคือตรึกวิจารณคือตรองคือเวลาที่เรานั่งสมาธิเราต้อง ต, ตรองอยู่กับเรื่องเรื่อง เรื่องหนึ่งคือเรื่องลมหายใจการตรึกก็คือการรู้ว่าเรากำลังหายใจกำลังดูลมหายใจเรียกว่าตึกตรองก็คือรู้ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกก็ตรองก็เรียกว่าตึกตรองแล้วก็ลงตรองอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วถ้าจิตเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นมันก็จะสงบลงแล้วก็จะเกิดปิติสุขเกิดเอกตาลงขึ้นมาจิตจะเป็ น, นจิตจะอยู่กับ อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับเรื่องของลมอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเริ่มตน้นต่อไปมันก็จะค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนไปจะกระทํางในที่สุก็เหลอแต่อุเอบกขาอย่างเดียวอาจารย์ครับแล้วจากตรงหนึ่งไปถึงอุเบกขานี่นานไหมครับอาจารย์มันไม่แน่หรอกบางคนมันจัดมันพวดไปจัดเนึ่งมันไม่ทันเข้าเน็ตแป๊บเดียวมันเข้าไปสี่เลยก็แล้วนู้นผู้ที่พูดโทรพูดโธรได้แป๊บเดียวตกว ม, มตก บ, บอล ตกเหวลงไปเลยก็มีบางพวกก็เป็นแบบเป็นเหมือนลงไปทีละขั้นเป็นขั้นบันไดก็มีแต่ไม่ต้องกังวลเวลาทํานี้ไม่ต้องไปดูว่าตอนนี้เรามีติมมีตรองมีทำอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าทํานี้ไม่มีวันที่จะไปไปไ ป, ไปถึงไหนได้เวลาทํำจริงๆนี้ให้ให้ติมตรองอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวหรือต้างพู้ถ่อมก็อยู่กับผู้ถ่อมอย่าง แต่วิเคราะห์ว่าตอนนี้มีปิติและยังมีศพและยังมีเะกขั้งทำไม่ได้นะถ้าทํำนี้แล้วไม่มีวันการนะั่นงสมาธินี้ห้าวิห้าวเคราะห์ให้จ่ออยู่อยู่กับลมและอยู่กับพุโทโธอย่างเดีวยวนั่นจะพาให้เราเข้าสู่ฌานทั้งสี่ตามลําดับต่อไปคุณสมพรครับการที่เราต้องพบกับคนที่เอาเปรียบคนอื่นอิจฉาคนอื่นโยมต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อพบเจอคนเหล่านี้ครับ ก็แผ่เมตตาให้เขาแผเมตตาขอให้เขได้ในสิ่งที่ปรารถนาครับคุณจีราที่วัดครับพระอาจารย์เจ้าค้าหนูสงสัยทำบังตาหมายถึงอะไรครับไม่ทราบเหมือนกันนะได้ยินว่ า, ำ า, ากำบังตาแล้วหรือพระอาจารย์กำบังตาอันนี้ก็เป็นคําพูดทเฉยๆอันนี้ก็ไม่ทราบว่าหมายความว่าไงเขาไเดิน คุณกล้าจเจริญครับถามข้อที่หนึ่งทำไมคนคริสตเข้าวัดไทยเป็นบาปแต่คนคริสตชวนเข้าโบสถ์คริสตคนพุทธจะบาปไหมแบบเขาไหมครับอันนี้เราก็ไม่ทราบคําสอนของศาสนาเข า, าบาปเป็นยังไงนะกางศาสนาพูดนิบัตคือการทำร้ายผูด้ด้วยกายวาจาเช่นฆ่าสัตว์รัดทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดนี่ถือว่าเป็นการกระทําบาปส่วนการที่จะไปเข้าวัด ทัยวัดพิษวัดอิสระนี้ไม่บาปเนี่ยไปไปได้ไม่ห้ามเช่นบางทีเรามีเพื่อนเขาเป็นชาวพิษแล้วก็มีงานศพงานแต่งงานที่ต้องทําในโบสถ์เขาเราก็ไปร่วมงานก็ได้อันนี้ไม่บาปเลยนะเพราะเราไม่ได้ไป ท, ทําทำร้านขายในนันงพุ่นเรานี่บาปอยู่ที่อยู่ที่สีลห้านี่อยู่ที่การละเมิดสี่ห้าสี่ก้อนจริงสุราเนี่ก็ไม่ถือว่าบาป เป็นแต่ว่าเป็นอบายยนุกและเป็นเหตุที่ทําให้ให้ใหไปทําบาไปได้ง่ายก็เลยต้องห้ามไม่ให้ดื่มชวาร์เวลาดื่มชวร์มึนเราเ ร, าเราจะไม่สามารถควบคุมจิตใจควบคุมการกระทำการพูดได้เลยต้องห้ามไม่ให้ดื่มชวาร์นี่แต่บาปจริงๆนี่มีแค่สี่ข้อเท่นั้นคือการฆ่าพูดการนับซับของพูดการประพูดผิดประเพณีและการพูดปดโกหกเรา ข้อที่สองความรักแบบชาวคริสตจะไม่ทําผิดศีห์้าแบบเดียวกับชาวพุทธได้ใช่ไหมเพราะมีการอ้างอิงถึงเมื่อรักแล้วจะไม่โกหกไม่ลักขโมยไม่ฆ่าใครทําให้เราจงสบายใจที่จะออกและเปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นศาสนานั้นได้เลยกบขอบคุณค่ะคือสีนบัญญัติของคริสเนี่ยเขมีบัญญัติสิ ป, ประการนี่ยก็มีบางข้อที่เหมือนกับพุทธคือเขาก็ไม่ให้รักทรัพย์ไม่ให้ฆ่าไม่ให้โกหก แต่ก็มีข้อที่ที่เราในพุทได้ยมก็คือเข า, เขาห้ามไปนับถือศาสนาอื่นไม่ให้ไปไม่ให้ไปเชื่อคำสอนของคนอื่นให้เชื่อแต่คำสอนของพร ะ, พระเจ้าเพียงเดียวถ้าไปเชื่อคำสอนของพระเจ้าเรานี้ก็ถือว่าบาปสำหรับชาวพุทธ คุณปุ้ยครับนักวิชการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ขอโอกาสถามเรื่องที่ได้ยินมาว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมที่วัดจะมีการตรวจสอบอารมณ์เวลาเราปฏิบัติที่บ้านเราจะตรวจสอบอารมณ์อย่างไรคะเราต้องไปวัดเพื่อตรวจสอบอารมณ์ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของบางวัดมากกว่าบางวันนี้เขาให้เราตรวจสอบดูอารมณ์ของเราเองหรือว่าได้มีความโลภความโกรธความหลง ม, มีหรือเปล่า แค่นั้นอส่วนใหญ่ที่เราต้องเป็นคนตรวจสอบมาเรลองาสารชิตรีกร่าพระเจ้าหรืการปฏิบัติธรรมนี้ต้องเป็นสารชิตรีกรแต่บางคราวบางคราวถ้ามีครูบาอาจารย์บางทีท่านก็จะช่วยตรวจสอบให้กับเราก็ได้เราบางทีเรามักอาจจะเข้าข้างตัวเองเฮ้ยเราไม่มีความกดนะพอไปโด น, นอาจารย์ด่า ข, ขึ้นมาปั๊บยังจะได้รู้ว่าอ๋อกดขึ้นมาหรือฝปล่าบางทีมันต้องมีใครมากระตุน้นคุยกุยเกเลสที่กำบลบซ่อนอยู่ ไอ้ตอนนี้จิตเราสงบเหลือกินเมือนมีนิทานเรื่องนึงมีพวกบรรดาคุณหญิงบรรดายไปทําบุญกับหลวงปู่ห ล, ลงตาอยู่เรื่องหนึ่งก็บอกว่าฟังเทศความธรรมหลวงปู่แล้วไปปฏิบัติแล้วตอนนี้กิเลสหายไปไหนหมดไม่รู้หลวงตาบอกว่าไอ้ตอนแหลพอ <c oughs> พูดท่านนี้โอ้โหความโกรธโกรธขึ้นมาไม่กลับเข้าไปวันนั่นเลยพอโดนไม่ตอนแหลท่านเองเนี่นแหละท่า น, น, นะ ท, าน ท, ทดสอบอารมณ์ การทดสอบอาลมณ์ที่แท้จริงนี่เขาไม่บอกล่วงหน้าก่อนนะยังเพราะมันบอกว่านี้จะทดสอบอารมณ์นะอย่างนี้เราก็เตรียมนําไปแล้วเราต้องไม่โกรธนะครูอาจารย์จะด่าเราจะทำไงเราก็ไม่โกรธนะเพราะล้วนนี่เป็นการทดสอบอารมณ์ถ้าเราโกรธเราก็เสียหน้าเสียแล้วก็สับตกใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่การทดสอบอารมณที่แท้จริงมันต้องแบบที่เราเราเนี่ยเราไม่ได้ตั้งตัวเพรานั้นหมาถึงเรารูว่าเรายังมีกิเลสเหลืออยู่ในใจเราหรืไม่ ก็เหมือนสมัยก่อนเรียนท่องเสือนี้บางทีมีช่วงที่ครูจะให้สอบโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าก่อนก็สอบแบบฉับสั่งวันนี้สอบวิชานี้นะมันเป็นการกระตุ้นให้เราคอยเตรียมตัวไว้เสมอเพราะเราไม่รู้ว่าอาจารย์จะบอกให้เราสอบเมื่อไหร่คำนิตศาสตร์เนี่ยบางทีอาวันนี้สอบวันนีศาสตร์แต่ถ้าเราคอยเตรียมทํมาการบ้านคอยคอยเตรียมตัวอยู่างนี้พอสอบก็ทําได้ แต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้พอสอบก็ตกสมัยก่อนก็มีอย่างนั้นแต่สมัยอาจารย์คุณหมอเรียนมีม้หมมีครับอาจารสอบโดนเนี่ยมีเลยนะโดนเรียกมาเฉยๆก็มีเยอะครับอันนั้นเราเป็นการทดสอบอาลงต้องไม่เตรียมตัวต้องไม่ไม่ไม่บอกให้รู้่วน คุณพารัตครับกราดอรักษการพระอาจารย์ครับอยากถามว่าการตั้งจิตภาวนาและปฏิบัติตนบนหลักการทำความดีส่งผลให้ชีวิตมีความสุขได้อย่างไรครับก็จิตสงบและจิตความสุขที่เกิดจากความสง บ, บก็ปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้าจากว่าและสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลมนั้นเ คุณสมพรครับทุกวันนี้มีบันดิตจบใหม่ไม่มีงานทำไม่ได้ทำงานเป็นหลักแสนคนทำไมต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นอยากให้คนที่จบมาใหม่ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ทำงานไม่มีงานทำว่ากันว่านับแสนคนอย่างนี้เรียนแล้วไม่ได้ทำงานต้องใช้หลักคิดข้อใดในทางธรรมดีครับก็ น, นี่จังไงใลกนี้มันไม่มีความแน่นอนบางช่วงก็หาคนมาทางานไม่ได้บางทีมีงานมากกว่ามีมีคนทางาน บางช่วงกามีคนงานมีคนทํางานหน้ากกว่ามีงานให้ทำเพราะเป็นเรื่องของเศรษฐกษิจที่ขึ้นๆลงๆการการขยายตัวของเศรษฐกษิจนั้นไม่ได้สอดคล้องกับการขยายตัวของของนักศึกษาพอเศรษฐกิจพอเศรษฐกษิจขยายตัวนักศึกษาน้อยเขาก็เลยได้เปิดสอนเพิ่มนักศึกษาเพิ่มขึ้นพอนักศึกษาจบอเศรษฐกษิจหดตัวใช่แล้วนะครับปริมาณของนักศึกษาที่จบก็เลยมากกว่า งานที่เขามีอยู่ให้ทำนี่คือเรื่องของปัญหาทางโลกมันมันไม่สอดคล้องไปตลอดเวลางั้นก็ต้องต้องมีมีอะไรถ้าคนที่เป็นนักศึกษาก็ต้องมีอะไรสัมรองไว้ถ้าห า, างานที่จบไม่ได้ก็ห า, างานอย่างหนึ่งทำไปก่อนขับแท็กซี่ขับขับรถ Uber หรือขับอะไรไปก่อนทำอะไรอาชีพส่วนตัวไปก่อนก็ได้ ถ้าจะมาโมดาหางานนอกงนานไม่มีทแล้วก็ต้องเราก็ต้องยอมปรับตัวเองให้กับสภาพแาน้อมที่เกิดขึ้นอาจจะต้องลดลดลดงานที่เราจะได้เงินเดือนที่เราจะได้แต่อย่างน้อยก็ขอให้มีรายาด้ริบปากริงเท่าก็ยังดีกว่าไม่มีงาน คุณพัทรพลครับมีเพื you, <waukee> ่อนต่างชาติสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาจะพาไปกราบพระอาจารย์ได้ไหมครับมันมามันไม่มีเวลากลุ่ยให้เขามากราบในห้องเรามีห้องภาษาอังกฤษเพจภาษาอังกฤษชื่ออาจารย์สุชาติ search คําว่าอาจารย์ a j a h n อาจารย์แระวก็สุชาตินั่นก็จะมีเพจภาษาอังกฤษซึ่งมีการแสดงธรรมทั้งทางซูมทั้งทางสดแบบนี้มีถามตอบคําถาม แล้วก็มีโพสคําสอนต่างๆเยอะแยะเป็นหมเลยจะได้ศึกษาได้ได้ธรรมะมากกว่าที่จะมาหาเราหาั้นก็คุยกันทักทายได้คําสองคัำก็หมดเวลาแล้วเพราะเราไม่ใช่มีมียาโยมเป็นคนเยอะที่เข้ามามีเข้ามาเยอะมากเราไม่สะดวกที่จะให้มาหาที่บุติถ้าอยากจะได้ธรรมะ ก, ก็ไม่ต้องมาแต่ถ้าอยากจะมาเห็นหน้าเห็นตามมาถ่ายรูปด้วยก็ามาพางคนก็อยากจะมาถ่ายรูปด้วยแท้เนี่เราได้ถ่ายรูปแล้วก็ดีใจ ฟังช้าใส่บาสเองก็มาขอถ่ายรูปกันนะถ่า ย, า ย, สายเสร็จก็จบเขาไม่ได้เขาตอนเขายังไม่ได้อยากได้ธรรมะก็โอเคแต่ถ้าอยากได้ธรรมะนี่ขอให้เข้าไปในเพจดีกว่าเดินเข้าไปในเว็บไซต์ของเราพาสุชาติ .com ก็มีหนังสือธรรมะให้ดาวน์โหลดไปอ่านได้เยอะแยะ ไม่ไม่ไปส่งออกนามครับพระอาจารย์กราบน้ัพสกา ร, การเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะวางใจอย่างไรถ้าอาจารย์ผู้ถือศีลที่เราศรัทธาที่สอนแนวปฏิบัติทําให้แก่เรามายืมเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวโดยรับรองผ่อนชำระแล้วเราก็ช่วยเหลือแล้วคิดว่าถูกต้องหรือไม่เจ้าค้าเวลาปฏิบัติมักจะฟุ้งซ่านเจ้าคะ่ะเจ้าจะวางใจอย่างไรเจ้าคะหรือถอยห่างเจ้าคะคือท่านไม่ควรจะมายืมเงินจากเราเรื่องเงินทองนี่มันเป็นเรื่องที่ พาไม่ควรที่ไปเกี่ยวข้องด้วยอันนีผู้เจ้าสอนว่าไม่ให้มีเงินมีทองยังไม่ว่าท่านยางด้วยเหตุผลการงาน น, นะนับควรปฏิเสธไปได้เลยถ้าท่านมาขอยืย่ยมอะไรนึงของของเมาจากเรานอกจากเราภอวนาตัวไว้ก่อนยังกล้อีกเรื่องหนึ่ง เ, เราบอกว่าถ้าท่านเดือดร้อเรื่องเงินทางต้องการที่จะให้ช่วยทางด้านเงินทางก็บอกได้นี่ถนะ้าเราพูดอย่างนี้แล้วถ้าท่านมาขอเราก็าต้องมาช่วยเขาตามที่เราได้สัญญาไว้ แต่ถ้าเราไม่ได้บอกควากไว้ก่อนนี้ท่านมาขอเราก็ปฏิเสธไปได้เลยพราะเจ้าสอนว่าห้ามพากไปขอบุคคลที่เขาไม่ได้เป็นญาติหรือเขาไม่ได้ปาวานาตัวเขาหรือไม่ได้เสนอความเที่ยงเรียของเขาให้กับเราไปขออะไรจากทาไม่ได้เลยยังไม่ต้องเก่งใจนะยังไม่ต้องเก่งใจพระที่ถึงแม้ท่านจะเป็นอาจารย์เราถ้าอาจารย์ที่แท้จริงนี่ท่านจะไม่โ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง คุณจุลาลักษ์ครับการมรสการพระอาจารย์ขนาดนั่งภาวนาจิตจะฟุ้งเราต้องกําหนดว่าฟุ้งหนอจนความฟุ้งนั้นดับไปใช่หรือไม่เจ้าคะไม่หรอกต้องใช้พุโทโธแทนต้องกาหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดเรื่องความคิดต่างๆให้อยู่พุโทโธพุโทโธไปแล้วความฟุ้งก็หยุดไปคุณสมพรครับการที่เรามีกิเลสแสดงว่าเราไม่ได้รู้เท่าทันตัวผู้รู้ตัวรู้ใช่ไหมครับ ถ้าเรารู้เท่าทันกิเลสเราก็จะหยุดความอยากทำตามกิเลสสั่งได้บ้างในชีวิตประจำวันมีแต่กิเลสที่ตามสั่งให้ร่างกายทำนู่นนั่นนี่อยู่เรื่อยไปถ้าเรารู้เท่าทันกิเลสหากเราเหยียบเบรกกิเลสเหยียบเบรกความอยากได้เราก็จะโล่งตัวเบาอย่างนี้ยงเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องคุณวีนาครับกับเรียนถามพระอาจารย์การละกามราคะและปฏิคะ ปฏิฆะได้ใช้เวลานานไหมคะและอะไรเป็นปัจจัยทําให้เราสามารถลดละเลิกการมราคะและปฏิฆะได้อย่างถาวรคะขอเมตตาพระอาจารย์คะ่ะเพื่อต้องการมีเห็ น, นตร่างกายเป็นสุภาตลอดเวลาเช่นเห็นทองกันดูเห็นดับตายไส้ถล่มตลอดเวลาหรือเห็นร่างกายเป็นซากศพถ้เห็นตอนนั้นมันก็จะทําให้การมาราคะเนี้ยหยุดไปได้อย่างถาวร คือถ้ามันยังไม่หมดมันโผล่มาทีใดก็ต้องเห็นเป็นอสุภะทุกครั้งไปจนกว่ามันจะไม่โผล่ขึ้นมาแล้วมันก็เทว่าถ้ามันยังโผล่ขึ้นมาอยู่ก็ต้องใช้อสุภะไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อไปในนานไม่ดานอยู่ที่ความสามารถของเราที่จะมองเห็นร่างกายว่าเป็นอสุภะได้ทันการมาลาคา้าหรอเปการมาลาเมกามาลาคา้าเกิดขึ้นปุ๊บเห็นอสุภะปักเลยมันก็ดักกันได้ แต่ถ้าเกิดแล้วเอาสุภาหายไปไหนมันรู้เห็นตวาเห็นต่รอเห็นแต่สวยนี่มันก็มันก็ทนไม่ไหวคุณสุกัญญาครับการน้ารสการพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าคนที่เป็นไมเกรนมีอาการปวดหัวเมื่ออากาศร้อนหรือได้ยินเสียงดังๆจะปวดหัวมากควรจะฝึกปฏิบัติยังไงครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติเจ้าค่ะก็เริต้นก็หัดฝึก เจริญสติต่อคอยควบคุมความคิดอย่ให้คิดให้จิตอยู่ในปัจจุบันให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆาองร่างกายทํางานอะไรก็ให้อยู่กองงานที่เรากำลังทำอยู่แล้วถ้ามีเวลาก็นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกไปทําจิตให้สงบแล้วจิตจะมีใบขาวขึ้นมาตามลํำดับแล้วจะทําให้จิตนี้ไม่มีปฏิกิริยากับอากาศร้อนหรือสีไมต่างๆอากาศปวดหัว กจะไม่เิดขึ้นคุณกมำมลธรรมครับนั่งสมาธิได้ประมาณสิบห้านาทีจิตก็จะออกจากสมาธิและพยายามนั่งต่อแต่จิตมีความสุขจนไม่สามารถกลับไปเข้าสมาธิต่อได้ควรแก้ไข ย, ยังไงเจ้าคะก็ต้องดูลงใหม่ไม่พุโทโธใหม่เหมือนเหม น, เ, หมนเริ่มรอบที่สองรอบแด้เราทำางไงล้าก็ทำรอบที่2อมนอกที่น เราดูลงก็ดูลงใหม่เรพูดโทแล้วก็พูดโธใหม่ค่ะคุณสมพรครับการปฏิบัติธรรมพร้อมการทํางานเพื่ อ, อยังชีพต้องปฏิบัติธรรมกันอย่างไรครับก็อย่างพระก็ยังต้องเลี้ยงชีพตอนเองด้วยการบินริบาดขณะที่บินระบาดก็ให้เจริญสติตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติพร้อมๆกับการทํางานเพื่ อ, อยังชีพโยทมทํางานก็เหมือนกันให้มีสติอยู่ อ, อยากปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กองงานที่เราทําตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นการเจริญสติแต่จะไม่ได้เป็นสติที่เป็นสัมมาสติเพราะเวลาทํางานนี้ต้องใช้ความคิดมากการเจริญสติที่เป็นสัมมาสติไม่ต้องเจริญสติแบบไม่ให้คิดอะไรอยางนีก็ต้องเป็นงานแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นปวาดบ้านทูบ้านทำงานอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิด อันนั้นก็จะเป็นการเจริญสติอย่างพาดนปฏิบัติก็ไม่ต้องคิดอะไรมากให้มีสติในการเดินการเปิดฟ้าบาักปิดฟ้าบักไปอย่างนี้ก็ไม่คิดมาอาจจะคิดบ้างเล็กน้อยว่าถึงเวลาต้องหยุดถึงเวลาต้องเปิดฟ้าบานนักไห น, นอย่างนี้เท่านี้อันนี้ถึงเรียกวเป็นสัมมาสติแต่ถ้าทํางานแล้วยากที่จะเจริญสติที่ปฏิบัติทางควบคุมได้นะอาจจะได้สติแบบไม่ใช่เป็นสัมมาสติ ก็ อ, อย่างน้อยก็ให้มีใจอยู่กับงานที่เราทําไม่ให้ใจร่อยไปมาวันมาคุณสมพรครับบุญข้อใดเป็นบุญสูงสุดครับจ ร, ร บ, บุญที่หลุดพ้นจากความทุกทั้งปวงจากหน้าสังยุทั้งเสียงได้เป็นบุญที่สูงสุด คุณทิติมาครับการนักวิชการขอเรียนถามช่วยชี้แนะวิธีสร้างอุเบกขาจะเริ่มอย่างไรเจ้าคะนั่นโดยการเย็นสติตั้งแต่ลือตาขึ้นมาเลยพอลือตาขึ้นมาอย่าปล่อยให้ใจคิดพอมันจะเริ่มคิดก็ให้ใช้คมบริกรรมพูดโทพูดโทหยุดมันหน้าเวลาทํากิจที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าให้นคิดให้อยู่กับกิจที่เราทําไปได้ให้ดับน้ำล้างหน้าแปรงฟันให้มองข้ามให้มันอยู่กับกิจที่เราทํา ถ้ามันคิดการใช้พุโทโธช่วยระงับหยุดมก็ได้อยากให้มันไปคิดถึงคนได้คนนีเนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่เราทำคิดของร่างกายอันนี้ก็เป็นการจเจริญสติสร้างอุเบกขาขึ้นมาในระดับนี้แล้วพอเรามีเวลาว่างก็นั่งหลับตาแล้วก็มีสติกรลองหายใจเขา้าออกอย่าปล่อยให้ใจคิดเหมือนเดิมหรือให้อยู่กับคำบํำอะไรคำพุโทโธไม่ให้คิดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวจิตก็จะสงบแล้วจะได้อุเบกขาปรากฏขึ้นมาใน ใ, นใจ คุณตวงธรรมครับกราบพระสการพระอาจารย์ครับขอถามว่าการถวายข้าวพระพุทธรูปได้กุศลจริงไหมครับแล้วเมื่อถวายแล้วนั่มารับประทานได้ไหมครับไม่ได้กุศลหรอกไม่ได้อะไรเลยได้ความโ ง, ง่เพราะว่ามันไม่ได้ไประโยชน์อะไรพระพุทธรูปกินข้าวท่าแล้วอเปล่าไม่ใช่สติปัญญาถามตัวเองข้าวนี้พระพุทธรูปกินหรือเปล่าถ้าถวายพระ ถาวายข้าแล้วพระพุลูกกินข้าวได้อย่างนี้ก็จะได้ได้บุญได้กุศลแต่ถ้าไม่กินน่ะลองชั่งน้ําหนักดูเลยก่อนที่เราก่อนที่เราถวายนั้นหลังจากที่เราเก็บมาแล้วน้ําหนักข่าหายไปหรืเปล่าเมื่อเท่าเดิมถ้าเท่าเดิมสแสด ง, งว่าพระพุลูกไม่ได้กินข้าวของเรายัางถ้าอยากจะรับประทานอาหารนั้นก็รับประทานเลยไม่ต้องไปตั้งหน้าพระพุลูกไม่เสียเวลาหรอกเการเล่นได้เกลี่ยเหาตัวเองไปเสียว่าปะแสดงความโง่เขลาของเรา ปัญญาไม่รู้จักใช้ปัญญาคุณสมพรครับเพศคารว่าสามารถปฏิบัติธรรมสูงสุดได้ถึงขั้นไหนครับพระอาจารย์มันไม่ได้อยู่ที่เพศมันอยู่ที่ความสามารถของจิตใจของแต่ละแต่ละคนถ้าสามารถจเจริญถึงขั้นปอนามายาปัญญาได้และทำโยชน์ได้ก็บรรลุถึงพระนิฐานได้เนี่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นคาวา่าหรือเป็นพระเป็นพระต้องเยอะยะที่มันไม่ได้ละสังยอดเลยก็มีในเมืองไทยเยอะแยะเป็น แั่มันอยู่ที่วความสามารถในการปฏิบัติทำชินสมาธิปัญญาสามารถปฏิบัติได้เต็มร้อยหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามันปฏิบัติได้เต็มร้อยก็สามารถที่จะบรรลุทับขั้นสูงๆได้คุณเจริญครับอย่างไรจึงเรียกว่าเห็นการเกิดดับเจ้าคะเคยกโกรธไม่พอใจอย่างแรงสักพักก็คิดได้ว่าเดียวก็ตายกันทุกคนตายแลกก็เอาอะไรไปไม่ได้ช่างเขาเถอ อันนี้ก็ก็เห็นว่าเป็นการดับของร่างกายร่างกายของคนเราเขาไม่ได้อยู่ไปตลอดแล้วก็จะทำให้เราหายโกรได้เมื่อเราคิดว่าในที่สุดเขาก็ต้องตายกันอยูดีทิ่นี้ก็ได้ไปขเขก็เอาไปไม่ได้คือการเห็นการเกิดดับนี้เพื่อให้เราปล่อยวางให้พรับความโลภความโกรธความเาเช่นอะเราเห็นว่างเงินทองที่เราอยากได้นี่ได้มาแล้วเดี๋ยมันก็หมดไปพอหมดก็ทําให้เราทุกข์ ตัวอย่าไปได้มันดีกว่ามันก็จะทําให้เรารับความโลภ อ, อยากได้เงินทองได้คุณลำยัยครับเป็นคารวาสควรจะสวดมนต์บทไหนคะได้ทุ้บทเ น, นี่ยแล้วแต่เราอยากจะสวดแต่โดยโ ด, ย, ด, ย, ดยทั่วไปก็จะมีสูตรให้การสวดก็ร เ, เรือ่องสวดทําวัดทําวัดเช้าวัดค่ำทำวันเช้าวัดเย็น เราก็จะมีไปซื้อหนังสือสวดมนต์มาแล้วก็จะมีแบบงนะบทสวดมนต์สำหรับทําวัดเช้าบทสวดนต์สำหรับทำวัดเย็ น, น, นอันนี้เราก็สามารถทําตามก็ได้ถ้าเรามีจะสวดบทไหนนถ้าเราชอบบทไหนเราสวดบทนั้นบทเดียวก็ได้โดยที่ไม่ต้องสวดทําวัดเชา้าวัดเย็นก็ได้เพราะนั้นสวดมนต์นี้สวดเพื่อให้ใจเราสงบถ้าเรามีสติถ้ า, าอยากจะสวดสั้สนๆสวดคํ า, ว, า ว, คว่าพุทธโทคาเดียวก็ได้สวดได้ทั้งวันนะไม่ต้องอยู่ในทาน ถ้านั่งพับเพียบไว้ไม่ต้องนั่งอยู่ที่หน้าพุทธลูกถ้าสวดทุดทโธนในจนี่สามารถสวดได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจ ะ, จะอยู่ที่ไหนหทําอะไรคุณอ่านอ่านก้อยครับนมัมรสการพระอาจารย์ครับสภาวะของสมาธิเข้าถึงปฐมฌานเป็นอย่างไรและเราพัฒนาต่อยอดสูงไปเรื่อยๆได้อย่างไรครับก็เนี่ยให้มีสติดูลมหายใจยเข้าออกไปอย่างเดียว ทำไมก็จะพาเราเข้สูป่ปฐมวิชันจนถึงวิชานสี่ได้โดยท่านเราไม่ต้องไปกังวลเวลาเราขับรถเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลว่ารถจะวิ่งกี่รอบความเร็วเท่าไหร่เรามีหน้าที่เข้าเกียร์แล้วก็เหยียบคันเร่งครั้งนีนน้แล้วก็ขับไปแล้วก็มันก็จะแปลกมันเองคอยเหยียบคันเร่งคอยเหยียบปล่อยคันเร่งเนี่ยนะมันก็รถมันก็จะวิ่งแร็วขึ้นวิ่งแร็วขึ้นไปตามหลักธรรมอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเรา นั่งสมาธิใกล้ดูลงฐานใจเข้าออกไปอย่างนี้มันมันเหยียบคันได้ไงแล้วมันก็จะพาเราเข้าไปสู่ฌานระดับต่างๆนั่นเองดอโดยทดลองวคุณชุติวัตรครับกลับเรียนถามครับกําลังฌานนี้เป็นเหมือนชาร์ตแบบให้ใจมีกําลังก่อนที่จะนําไปสู่วิปัสสนาทุกครั้งหรือว่าทําควบคู่กันไปเหมือนเกลียวเชือกที่ฟันกันไปครับหลวงพ่ออ๋อไม่ทําคู่กันอนุญาตทำกันเพราะว่าการจะทําให้จิตสงบนี้ต้องไม่คิด แตการจะวิคทำวิปัสสนานี้ต้องใช้ความคิดนี่ต้องไม่ทําคู่กันคือต้องทําให้เราสงบให้มีกําลังเยอะๆเหมือนตอนที่เราชาร์จแบบส่วนใหญ่เราจะไม่ไม่เอาไปทํางานเอาไปใช้งานเราจะชาร์จมันตอนคืนตอนที่เรานอนพอตอนเช้าเราก็จะได้เอาไปทํางานเอาไปไหนมาไหนตอนนั้นเราก็จะไม่ชาร์จแบต มีคุณบัวธรรมชาตร์คอมเมนต์บอกว่ากล่าบขอบคุณเจ้าข่าหนูฟังพระอาจารย์เทศน้ําตาไหลปิติเจ้าข่าหนูเข้าใจมากยิ่งขึ้นเจ้าข่ากลาวขอบพระคุณมากและขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเทศนี้ด้วยนะครับอาจารย์ครับคุณกมลพรครับกลาวธรรมสการพระอาจารย์ว่าชาวพุทธเราจําเป็นมากน้อยแค่ไหนในการตั้งศาลพระภูมิเพื่อบูชาไว้ในบริเวณบ้านครับไม่จําเป็นเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราตัางาา้งศาลพระภูมิ แม้แต่พระพุทธลูกท่าก็ไม่สอนท่าท่านสอนเราตั้งสติท่านสอนเราศึกษาปฏิบัติปฏิเวียนท่พระเจ้าสอนมีสามขั้นศึกษาพระธรรมคำสอนนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่คือคำสอนของพระเจ้าเท่านั้นแหละไม่ได้สอนให้มีพระพุทธลูปให้ทำสารพระภูมิเพราะสิงง่งใดอดีตมีคนคนหนึ่งเขา เขาปั้นพระทธรูขึ้นมามันก็เอามาถวายพระเจ้านี่เขาปั้นด้วยความศรัทธาเขาแล้วเขาอยากเขาอยากใช้พระเจ้าเสร็จเปล่าให้เขาเป็นมงคลเพื่อเขาจะได้ไปพเพื่อเอาไปวาดกาบวาพระเจ้าบอนนี้ไม่ใช่เราพระพุทธรูปคุณตุกตาเราคือธรรมพระเจ้าใครผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตพระเจ้าไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่พระพุทธรูป พูะพุทเจ้าไ ม, ไม่ไม่ส่งเสริมในการสร้างวัฏจักรท่านส่งเสริมให้การปฏิบัติให้ศึกษาทำปฏิบัติทำเพื่อมีอดวงตาเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นันนะ้นแหะคือผู้ที่เห็นเราประทันพ้นคุณตุกตาครับการนันทสการพระอาจารย์ขออนุญาตเรียงถามค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าติดอยู่ในสมถะ เวลาพักผ่อนใช้การบริกรรมพุโทโธแต่เราเห็นว่ามีความคิดระหว่างบริกรรมเรียกว่าสมถไมะไหมคะถ้ามีความคิดก็ยังยังไม่ถือว่าเป็นยังไม่สงบการใช้บริกรรมพุโทโธนี้ไม่ได้เป็นเป็นเป็นข้อยกเว้นว่ามันได้เป็นความคิดที่ทําให้ทําให้ใจฟุ้งซ่านไม่ทําให้ใจไม่สงบเป็นความคิดที่ทําให้ใจสงบคิดแต่คาว่าพุโทโธคำเดียวเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ อาจารย์ครับในการภาวนาแต่ละครั้งบางทีดูลมหายใจอยู่แล้วบางทีเปลี่ยนเป็นพุทโธพุทโธบางทีเปลี่ยนเป็นพุทโธดูลมไปด้วยในคราวเดียวได้ไหมครับอาจารย์เห็นนิงวตาท่านเคยสอนบอกว่าอย่าเปลี่ยนเวลาที่เราทําครับนอกจากว่ามันมีความจำเป็นจริงๆต้องเปลี่ยนเช่นบางทีดูลมต่อต้งดูไม่ได้ก็อาจะใช้คําิธีการพุทโธไปก่อนแล้วจิตอาจจะฟุ้งมากแล้วดูลงไม่ได้ก็ใช้คําิธีการช่วย ถ้ารู้สึกว่าลมพอดูลมหน้าแล้วจะกลับมาดูลมต่อก็ได้หรือในทางหนึ่งถ้านั่งดูลมไปแล้วดูไปจนกระทั่งเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาใจเริ่มวุ่นวายแล้วเริ่มดูลมไม่ได้แล้วจะใช้คําบริกรรมมาช่วยก็ได้อย่ต้องมีเหตุหวิผลอย่าสลับไปสลับมาตามมาหมณ์ที่ถามคือในกรณีที่สองเนี่ยครับอาจารย์ใช่้ช่เราต้องใช้คําบริกรรมจะดีกว่า เขามันจะดึงจิตไว้ให้อยู่นิ่งได้ง่ายกว่าการดูลงเพราะ ม, มันไม่ยอมดูหลงมันจะไปดูเวทนาอย่างนี้วแต่ว่ามันใช้คําอะไรคำพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับเวทนาครับแล้วพอมันเบาเราก็กลับมาดูลงได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้เนี่ยบางทีมันเบามันนิ่งสมองไปเลยคร <ผม S 1> ับไม่ต้องดูเวทนาไงครับอยู่เฉยๆได้อยู่กับความเจ็บได้ไม่ใชความเจ็บไม่หายไปก็อยู่กับมันได้ บางที่เขาเจ็บก็หายไปด้วยกัน น, นี่ไม่ น, บบน่าสองเนี่างเป็นไปได้ทั้งสองอย่ยแต่จิตเปน็นโอเวค้าแล้วพรจิตเปน็นโอเวค้าแล้วเจ็บไม่วุ่นวายเก่กับความเจ็บนะความเจ็บอยู่ก็ไม่วุ่นวายความเจ็บหายบางทีความเจ็บก็หายไปก็มี ค, คุณไอกีครับพระอริยสงฆ์ต้องหมดวิบากกรรมหรือไม่ครับวิบากกรรมไม่หมดหรอกตามไดถ้ายังมาเกิดอยู่ถ้งไม่ไม่มาเกิดทั้งนั้นวิบากรร ม, มาถึงยะหมด เพราวิบากมันน้ำส่งเหมืในขณะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยขณะที่เรายังเวียนว่าตายเกิดในในในตายรักในในในสังสารวัฏอยู่ใ น, ในตายพบอยู่เราก็ต้องรับผลวิบากไปเกิดในพบต่างๆก็เป็นผลวิบากที่เราทำนั่นเองจนกว่าเราจะไม่เกิดทท่านั้ น, นผลของวิบากก็ถึงแก่หมดคุณโอเอครับ เคยได้ยินมาว่าให้คิดบวกคิดแต่สิ่งดีดๆก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดแบบนี้ถูกหรือผิดคะขอพระอาจารย์เมตตาคะ่ะไม่ถูกหรอกตาหมหลักศาสนาให้ให้คิดตามความเป็นจรงิงความเป็นจรงิงซึ่งบางทีเราสำหรับเราจะคิดว่ามไม่ดีกันอะไรเช่น ค, ความตายความเสือเ่อเนี่ยรวยแล้วจนได้นะสวยแล้วสวยแล้วน่าเกลีสวยแล้วแก่ได้นะน่าอะไรอนี้เราจะไม่คชอบชอบคิดอย่างนี้แต่เราไม่ความจรงิง ถ้าคิดได้นล้วใจเราจะไม่ทุกเวลาที่ร่างกายมันเปลี่ยนไปเวลาที่เราสูญเสียเงินทองไปอยากรวยมาเป็นยากจนเราก็จะไม่ทุกเพราะเราล้มละลายนะนั่นเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเราควรด้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไว้ก่อนเร่องทางศาสนานี้ท่านสอนให้เราคิดตามความเป็นจริงไมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีสิ้นได้เป็นธรรมดา คุณธัญพัฒครับทำอย่างไรถึงจะให้สามีฟังธรรมะเหมือนกับเราคะอาจารย์ก็บอกเขาเสียว่ามาเป็นเพื่อนฟังธรรมะหน่อยได้ไหมนั่งคนเดียวร่มหนาวฟัคนเดียวไม่รู้สึกถ้าเขรักเราก็อยากจะให้เรามีความสุขเขาก็จะยอมทําทำอะไรสิ่งที่เราขอครับแต่อย่าเป็นบังคับให้เขาฟังธรรมะอย่าบอกพี่ฟังธรรมะดีให้เขาฟังเพื่อเราให้เขามานั่งฟังเพื่อเราใี้มานั่งฟังเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหม มีมีพี่นั่งฟังด้วยรู้สึกอบอุ่นใจ่เนี้ยเรารู้จักจมีอาาุบายรู้จักจอุบายพูดให้ทําทให้เขาเห็นใจเราเขาอยากจะช่วยเราแต่ถ้าไปสั่งเขาเหมือนแม่สั่งลูกเลยเขาไม่ทำใช่ไหมนี่พี่ต้องฟังทำนะมันนีสําหรับพี่เงี้ยมันจะสอนลูกเองมันไม่ได้อะไรนะแม่ทำลูกก็ไม่ได้บางทีลูกก็ต้องใช้อุบายให้ต้องทําในสิ่งที่เขาคิดว่าทำแล้วเขาได้ตอบแทนคุณแม่อย่างเช่น บางทีแม่เลยใช้ลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดค่าอาจารย์ว่าลูกไปเป็นเคลื่อนแ้าได้ไหมแม่แต่คนเดียวแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่มั่นใจแล้มีลูกไปด้วยถ้าลูกเขาอยากจะไปทําให้แม่เขาไปอยู่วัดกับแม่ ป, ปฏิบัติธรรมกับแม่ได้คุณเชอรี่ครับการมรสการพระอาจารย์ขอความเมตตาแปลความสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะค่ะ ก็เป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่จะทำให้สิ้นอาสะวะแต่ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดเนีอุปกรณ์ที่ทาให้เราสิ้นอาสะวะได้มีทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาก็ต้องปฏิบัติทั้งศีลสมาธิและปัญญาให้หมดแปลงถึงจะทำให้เอาอาสวะสิ่นไปจากใจได้มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับทำอย่างไรจะห่วงลูกน้อยลงลูกจะไปเรียนกรุงเทพเขาไม่เคยไปอยู่คะ่ะ ก็ผู้เจ้าสอนให้พิจารณาอยู่เนื่งๆว่าเรามีการพลาดพลาดจากกันเป็นธรรมดาล่ะลวงนจากการพลาดพลาดจากกันไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอย่านี้ไม่ช้าก็เลยววันใดกันหนก็ต้องจากกันไปจากแบบท้าววอก็มีจากแบบชื่อคราวก็จากแบบที่เรายินดีให้จากก็มีจากแบบที่เราไม่ยินดีให้จากก็มีแต่เรื่องของความจากกันนี้มันต้องเป็นไปอย่างนั้น คุณพันษาครับขอสอบถามครับพระอาจารย์การเดินปัญญาเราควรเดินตอนไหนครับตอนที่เจอความว่างแล้วเราถึงเดินปัญญาหรือว่าพอเจอความว่างแล้วจิตมันจะเดินปัญญาเองโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรครับแบบว่ามันจะผุดขึ้นมาเองว่าแบบนี้ดีไม่ควรทำแต่มันจะมาแค่แวบเดียวครับผมติดตรงนี้ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับคือการเดินปัญญาเราไม่เดินตอนที่เราเข้าสมาธิล้วต้องออกจากสมาธิก่อน แล้วการเดินปัญญานี้ก็มีสองแบบเดินปัญญาแบบทําการบ้านคือสอนใจให้เตรียมรับกับเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปเดินต่อไปแล้วอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมาอะไรมัเป็นโนรคหัวใจพิกลพิการอะไรตไ่างๆก็เรียกว่าเป็นการทําการบ้านพิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนถึงความไม่แน่นอนขอ ง, งร่งกายแล้วแล้วการทําการบ้านแบบปัจจุบันทันทนคือมีข้อสอบเกิดขนนึ้นทันที จบไล่ออกจากงานปั๊บเนี่ยต้องพิจารณาว่างานที่เราทําก็ไม่เทีย่ยงเหนันป็นเน้าตาเราห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราต่อไปตลอดไปไม่ได้เวลาตอกงานเครื่จเราจะได้ไม่ทุกอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาหลับความทุกข์ของใจว่ามันเป็นธรรมดางานการนี้มันของไม่เทีย่ยงเป็นอ น, นิจจันเป็นเาหน้าตาเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ เวลามันจะหมดมันก็หมดได้เมื่อหมดเราก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงเราก็จะไม่ทุกถ้าเราไม่ยอมรับความเป็นจริงอย่างอย่างจะทํางานนั่นอยู่ก็จะทุกไปไเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นปัญญาเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเกิด ค, คือเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่ข้าถึงมีคําพูดว่าทุกข์กว่ามีปัญญาหมดเกิดนะเพอมีทุกข์ปับ๊บเนี่ยเรารู้แล้วทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากกับอะไรก็อยากกับ สิ่งที่เราสูญเสียไป น, นั่นเองอยากจะได้สิ่งที่เราสูญเสียไปแต่มองความจริงสิ่งที่เราสูญเสียมันเป็นอนิจจังไม่เป็นไม่เป็นอนิจจังพอเห็นว่าเป็นอนิจจังก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นของไม่เทียมเป็นของที่จะต้องจากออกไปวันใดวันหนพอเราคิดอย่างนี้ได้เรายอมรับความจริงได้เราก็จะหายทุกข์อันนี้เป็นการเโดยปัญญาในขณะที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดเกิดข้อสอบแต่เราช่วงนี้ไม่มีข้อสอบเราก็เปลี่ยมทบกันบ้านไว้ก่อน คิดแลก้กะว่างานที่เราทําอยู่นี่สักวันหนึ่งมันอาจจะหมดได้นะบริษัทอาจจะแย้งเปิดกิจการก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนมันต้องคิดเผื่อไว้ก่อนพราะได้เพราเวลามันเกิดขึ้นเราจะได้ไม่เสียหลักไม่เราจะนั้นไม่ชุ้เพราะเราอาจจะได้เตรียมตัวผู้รู้หรือว่ามันต้องเกิดขึ้นยนงไ คุณเฟปเปอร์ครับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ค่ะตอนนี้รู้สึกขัดแย้งกันในการใช้ชีวิตทางโลกและทางธรรมในทางโลกต้องคอยแก้ปัญหาและจัดแจงแต่ตอนปฏิบัติต้องรู้แต่ไม่ใช่ไปจัดแจงให้ดูการเกิดดับรู้สามารถไม่จัดแจงในทางโลกได้ไหมครับเอในทางโลกก็ยังจัดแจงได้อยู่แต่ในกิจที่เราทําได้พอเป็นทุนในกิจที่เราทําไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้มันเกิดดับมันไป ถ้าาอยู่ในขอบเขตที่เราสามารถทำได้รักษามันได้ก็รักษามันไปแต่พอถึงเขดที่เราไม่สามารถรักษามันได้มันจะมันจะตายมันจะเป็นอะไรไปก็ต้องยอมรับออสภาพไปทางธาร ท, ทางโลกไม่ขัดกันแนละ้ว ถ, ถ้าเราถ้าเรารู้จักใช้มันให้ถูกคุณวิมลครับ สวัสดีค่ะมีความทุกข์กับก้อนเนื้อ ง, งอกสมองขนาด5เซนติเมตรที่หมอเลื่อนผ่าตัดหลายครั้งกลัวความทรมานจะเกิดขึ้นอีกเหมือนตอนแรกเริ่มมีอาการเจ้าค่ะความทรมานเกิดจากความกลัวมาจากความไม่อยากที่จะต้องไปไปผ่าตัดนั่นเองเราก็ต้องใช้ปัญญาบอกว่ามันเป็นเป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องที่จะช่วยบรรเทาความ กายการเจ็บไข้ของน่างกายได้แ ม, ม้จะเจ็บบ้างก็เป็นความเจ็บชั่วคราวดีบาดที่จะปล่อยให้มันตายไปหรือปล่อยให้มันเจ็บไปตลอดโดยที่มันไม่หายเจ็บเราก็ต้องใช้เหตุผลมาพิจารณาสอนใจเพื่อจะได้คลอดคลายความกลัว่าถ้าผ่ามันอาจจะเจ็บชั่วคราวถ้าไม่ผ่ามันจะเจ็บไปยาวหรืออาจจะตายได้ก็ต้องเลือกเราจะเอาทำไหน ถ้าไม่เอาทั้งสองทางวก็เขาก็จะทรมานใจถ้าตัดสินใจไม่ได้มันก็จะทรมานใจถ้าไม่อยากจะทรมานใจก็ต้องเลือกทําอะไรทไรั้งนัคุณฟลาเวอร์ช็อปครับคําสอนของพระเจ้าที่ให้เมตตาทุกคนแม้แต่ศัตรูขอธรรมะให้กระจ่างด้วยคะ่ะว่าเราจะทําอย่างนั้นด้วยใจที่คิดได้เช่นไรชีวิตจริงต้องเจอคนก๊อปี้งานเอาเปรียบสรารพัดเราต้องใช้ธรรมะอย่างไรคะ เราต้องเห็นว่ า, าการที่เราไปโกรธคนอื่นนี้มันเป็นการทำร้ายตัวเองเป็นสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ให้กับคนที่เราโกรธหรอกคนที่เราโกรธเขาไม่เดือดร้อนเวลาที่เราโกรธเขาแต่คนที่เดือดร้อนคือเราเวลาโกรดนี่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยใช่ไหมทุกข์ไหมเวลาเราโกรดนี่เวลาเราไม่โกรดนี่เราทุกข์ไหมเปรียบเทียบดูในระหว่างเวลาโกรธทำให้โกรธย่างไหนจะดีกว่ากันนั้นพี่ท่าน พระเจ้าสอนให้เราพิจารณาโทษของความโกรธ่ามันเป็นตัวที่ทําให้ใจยรอกทุกข์ววิธีที่ทําให้ใจเราไม่ทุกข์ก็เกิดเราต้องให้อภัยคนที่ทําให้เราโกรธอย่าไปถือว่าเขาเป็นศัตรูเราถือว่าเป็นมิตรกันให้อภัยกันได้เขาให้ขอทานกินมากกว่านี้ให้กินอย่างนี้ใจเราก็จะหาโกรธคุณสาวิตรีครับ สุขภาพของหนูจะดีบ้างเปล่าคะและการงานหนูจะรุ่งเรืองหรือเปล่าคะแล้วหนูต้องแก้กรรมยังไงดีคะดนนีไม่ได้เป็นหมอดูไม่สามารถจะบอกได้สุขภาพของหนูก็ไม่เที่ยงบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีขึ้นเลืนลงลส่วนงานก็เหมือนการจะรุ่งก็ไม่แน่บางทีก็รุ่งบางทีก็จะดับบางทีก็จะดับได้นี่คือคําสอนของอาจารย์แบบ น, น, น, น, นี้อันนี้แม่นที่สุดแล้วครับอาจารย์ <laughs> แล้วแก้กรรมยังไงจังรับกรรมแก้ไม่ได้กรรมที่ทำไปแล้วแก้ไม่ได้แก้กรรมใหม่ได้อย่าไปทํากรรมใหม่อย่าไปทําบาปอย่าไปลักทรัพย์อย่าไปฆ่าสัตว์กรรมใหม่ก็จะไม่มีเราไม่ต้องไปแก้คนกรรมเกา่าทำไปแล้วต้องใช้ต้องชดใช้เก่าไม่ใช้แลนวหนี้ไม่พ้นคุณวีนาครับ เรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราภาวนาบรรลุเป็นพระโสดาบันพระอนาคาาหรือสกิทาเราสามารถเห็นได้จากความประพฤติอย่างไรคะเราอาจจะไม่รู้ชื่อก็ได้มาเราเป็นพระโสดาบันแต่พระโสดาบันนี้จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตัวท่านจะเห็นว่าท่านคือผู้รู้ผู้คิดคือจิตใจท่านจะแยกกายกับใจออกจากกันได้ เลยไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่อาจจะไม่รู้ชื่อก็ได้อันนี้ถ้าไม่ได้อ่านคัมภีร์มาก็จะไม่รู้ถ้าไม่ได้มาฟังธรรมก็จะไม่รู้ก็ได้หลังจานที่พระพุทธเจ้าเห็นเห็นพระอัญญากนทัญญาบรรลุเป็นพระโสดาบันท่านก็ไม่ได้บอกเธอเป็นโสดาบันนะเธอเป็นแต่พระเจ้าอกอัญญากรทัญญะเธอรู้แล้วเนาะเธอรู้แล้วเนาะรู้วาริยสัจสีที่เกี่ยวกับ เกี่ยวข้อนกับร่างกายเกี่ยวข้องกับฐานะดว่าร่างกา ย, กย ข, ข, ขานะเป็นตายรับนนตนี้นี้ชัททางแนะจ๊คุณสมพรครับการเข้าไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆมีวัดปฏิบัติเป็นการเฉพาะตามโปรแกรมอบรมของสถานปฏิบัติธรรมนั้นๆมีประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมมากน้อยอย่างไรครับก็ทาให้เราต้องได้ปฏิบัติไง ถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วาจจะขี้เกียจเราก็แทนที่จะปฏิบัติเราก็อา จ, จะเปิดทีวีดูเปิด u ูทูบดู facebook ทําอะไรต่างๆแต่พอเราไปอยู่ที่เขามีโปรแกรมให้เราปฏิบัติเราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นนอกจากการปฏิบัติอย่เดียวอันนี้สําหรับผู้ที่ยังไม่ยังไม่มีวินัยในตนเองยังไม่รู้ว่าควรจะปฏิบัติมากน้อยเพียงใดก็ไปเข้าโปรแกรมเหล่านี้ดู แล้วพอรู้แล้วาโปรแกรมเหลนี้เข้าสา้เราปฏิบัติเวลาไหนบ้างทําอะไรบ้างเราได้ม า, าปฏิบัติเองได้ต่อไปไม่ต้องไปตลอดเวลาคุณเจริญครับยังโกรธอยู่หนักและแรงขึ้นกว่าเดิมในบางครั้งจะเบรกอารมณ์อย่างไรไม่ให้กระทบเดือดร้อนสิ่งแวดล้อมเจ้าคะ่ะไม่อยากเป็นขี้ข้าอารมณ์ตัวเองเจ้าคะ่ะก็กำลางโกรธให้ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไรหรืรวสวดมนไปก็ได้ อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธหรือบุคคลที่ทําให้เราโกรธพอเราอยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับการท่องพุโทโธไปได้ักระยะหนึ่งเราก็จะ เ, เรียพอเรื่องนรื่งที่ทําให้เราโกรธความโกรธก็จะหาย คุณปาริชาตครับกล่าบพระอาจารย์ค่ะหลังจากเพียรฟังและปฏิบัติตามคำสอนพระอาจารย์ก็รู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสิ่งที่เคยชอบและอยากเช่นอยากไปต่างประเทศเห็นอะไรสวยๆต่างบ้านต่างเมืองอยากนํามาพัฒนาประเทศก็หมดลงเพราะก็ตอบตัวเองว่าเคยอยู่ที่นั่นมาแล้วเหตุอันใดจึงอยากไปอีกดิฉันมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะ แต่มีคนทักว่าคิดแบบนี้เหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่คิดเรื่องการเติบโตของหน้าที่การงานดิฉันควรจะตอบเขาไปว่าอย่างไรดีคะกล่าวขอบคุณค่ะเราก็บอกว่าเราต้องการเจริงก้าวหน้าเติบโตทางด้านจิตใจนด้านจิตใจนี้มาให้เรารลดละความอยากต่างๆ่าคุณกฤษดาครับกลับเบียนถามพระอาจารย์ครับถ้าเราตายไปเราจะรุด รู้ตัวเรานี้หรือเปล่าครับว่าเราตายแล้วเวลาเราตายก็เหมือนเวลาที่เรา Goddess. นอนหลับเวลานอนหลับเรารู้ตัวว่าเราหลับหร้อเปลไม่รู้ใช่ไหเวลาที่เราฝันเราก็ไม่รู้ว่าเราเราฝันใช่ไหมจะไม่รู้ว่าตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราตายก็เหมือนที่เรานอนหลับแล้วเราก็จะไปเราก็จะฝันฝันดีฝันร้ายการบุญตามบาปที่เราได้ทำไว้ถ้าเป็นบุญบุ ญ, บญไ่ทําให้เราฝันดี ถ้าเป็นบาปเราจะทําให้เราฝันร้ายเราจะมนรู้สึกตัวทีเมื่อเราเกิดใหม่มันตื่นออกจากท้องแม่แล้วก็เริ่มร้องแย้อ ah, oh, uh นยพอแล้วเราเปจะตื่นจากความฝันตื่นจากความตายเรื่องการตายกับ ค, ควาการนอนหลับนีนเ่เหมือนกันแต่การนอนหลับนี่เป็นการตายแบบชั่วคราวในการตายนี่มีการตายแบบแบบเปนนลี่ยนร่างกาย คุณแฮร์รี่ครับจะสามารถภาวนาพิจารณาข้อธรรมทั้งหลายโดยไม่ต้องนั่งสมาธิได้หรือเปล่าครับวเวลาพิจารณาธรรมไม่ต้องนั่งสมาธิเป็นคนละเรื่องกันแต่การจะพิจารณาธรรมนำามาใช้กับประโยชน์ได้ต้องต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเพราะไม่มีสมาธิจะไม่สามารถนําข้อธรรมต่างมาดับความทุกข์ใจได้ คุณคมนเวทครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าการเดินจงกรมที่ถูกต้องนั้นคือการเดินแบบที่เราเดินปกติในชีวิตประจําวันใช่หรือไม่และระหว่างเดินก็ให้ตั้งสติสมาธิจดจ่ออยู่ที่การเดินใช่หรือไม่ครับถ้าไม่ใช่การเดินจงกรมถูกต้องควรทาอย่างไรครับถูกต้องนะ้รให้มีสติอยู่กับการเดินอย่าปล่อยให้ใจลอยเดินไปแล้วก็เห็นมองซ้ายมองขวาดูนั่นดนี้ขึ้เรื่องนั้นคิดนเรื่องนี้เดินไปก็มีสติอยู่กับการเดินเพีย จะเปนการเป็นทุกข์เพื่อเจริญสตินี้ก็แทนอีกข้อครับอาจารย์ครับคุณ power ครับกราบขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ครับการเจริญสติปัฏฐาน4ี่เป็นการทําวิปัสสนากรรมฐานพิจารณากายเวทนาจิตทำตามสภาวะที่เกิดขึ้นจริงถูกต้องไหมครับกราบขอบพระคุณในความเมตตาครับคือการเจริญสติปัฏฐาน4ี่นี่มันเป็นการเป็นหลักสูตรของการปฏิบัติสติสนาที่และปัญญา เรื่งนั้ไม่ได้ ท, ทําทีเดียวพอกันมหมดเลยแล้วต้องทําเป็นขั้นไปเป็นเหมือนหลักสูตรปริญญาตรีโทเอกหลักสูตรแรกก็คือปริญญาตรีก็ให้ฝึกสติตลอดเวลาตั้งนต่ถึงตลอดแล้วก็มาพอเรามีสติตลอดเวลาเราก็มาฝึกสมาธินั่งสมาธิดูลหายใจเข้าออกจนจิตรวมเปน็นอัปปนาสมาธิเอได้อัปปนาสมาธิแล้วได้อุเบกขาแล้ว จนชำนาญจนมีอเวคาตลอดเวลาแล้วเราก็มาพิจารณากายวิธนาจิตธรรมว่าเป็นตาย แ, แล้วเราจะระาสัมยชต์ทั้งหายให้หมดไปจากใจได้ครับขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆที่ชมอยู่ใน f a c e b o o เจ็ดร้อยสามสิบหกคนในย o u t u หกร้อยเจ็สิบห้าคนในกลับเฮาสิบหกคนครับมีฟังธรรมพร้อมกันวันนี้หนึ่งพันสี่ร้ยี่สิเจดคนครับพระอาจารย์ครับ ขอสแสดงความยินดีกับท่านที่เข้ามาร่วมวางเทศความธรรมประเดนนี้หวังว่าผมจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะนํำเอาไปให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อที่จะได้นําผมนิทานต่างต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรใช้เวลาว่า ข, ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสดความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเธอ สาธุาก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นแล้วถ้าไม่มีอะไรขับข้อมก็คงจะได้พบกันอีกในวันอาทิตย์หน้าครับจะได้พรครับกล่ขอบพระคุณอาจารย์ครับ